ม่รอยากจะรู้อยากจะถามเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยเราเป็นใครเรามาจากไหนเราเป็นหลายคนหลายแบบหลายชนิดหมาก็เคยเป็นมาแล้วแมวก็เคยเป็นมาแล้ว <c oughs> นกก็เคยเป็นมาแล้วคนก็เคยเป็นมาแล้วเราเคยเป็นอะไรมามากมาย ก, กายกองเพราะเรา เป็นดวงวิญญาณดวงจิตดวงใจที่สามารถที่จะไปไปตามสภาพของบุญของบาป ท, ที่เราทำกันบุญกับบาป ท, ที่เราทำนี่แหละเป็นตัวที่กำหนดภพชาติของเราบุญกรรมบุญบาปเป็นผู้ให้กำเนิดบุญบาปเป็นเผ่าพันธุ์บุญบาเปาบบาเป็นที่พึ่งของเราจะทำบุญหรือทำบา จะต้องเป็นผู้รับผลบุญผลบาปนั้นคำว่ากรรมก็คือบุญกับบาปนกรรมดีก็เรียกว่าบุญกรรมชั่วก็เรียกว่าบาปเรามีกรรมเป็นของของตนเราเป็นคนทำเองกรรมนี้ไม่มีใครทำให้เราบุญเราเป็นคนทำเองบาปเราเป็นคนทำเองแล้วเราก็เป็นผู้รับผลบุญผลบาปเองเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นเพียง คนรับใช้เราเราสั่งให้มันพาเราไปทำบุญพาเราไปทำบาปกันวันนี้เราสั่งให้มันมาทำบุญแต่คนสั่งก็คือเราไม่ใช่ร่างกายเราคือคนสั่งคนสั่งนี่เป็นใจเป็นดวงจิตดวงเวลาไม่มีร่างกายก็เป็นดวงวิญญาณเป็นเทพเป็นพรมเป็นเปรตเป็นนาลกเนี่ยคือใจ ใจผู้เป็นเป็นไปตามบุญและบาปที่ทําเอาไว้ร่างกายเป็นเพียงผู้รับใช้เรามีสามารถมีร่างกายได้สองแบบร่างกายของมนุษย์กับร่างกายของเดรัจฉานดอกนั้นเราก็ไม่ได้เป็นไม่ต้องมีร่างกายเวลาเราเป็นเปรตเราก็เป็นดวงวิญญาณที่มีความหิวโหวยมีความทุกข์ yeah. เวลาเราเป็นนรก ใจเราก็เป็นไฟร้อนเผาตัวเราเองเวลาเราเป็นเทพเราก็เป็นใจที่มีความสงบมีความเย็นมีความสบายมีความมีความคิดที่ดีมีเรื่องที่ดีปรากฏขึ้นมาในใจเรามีเหตุการณ์ต่างๆที่ดีใจเราตอนที่เรานอนหลับเนี่ยเราจะเราจะเป็นใจเต็มรูปแบบ เพรตอนที่เรานอนหลับเราไม่ได้ใช้ร่างกายเวลาเราก็ฝันกันฝันว่าไปนู่นมานี่ฝันดีฝันร้ายฝันดีก็เหมือนก็ไปสวรรค์เรียกว่าสวรรค์ฝันร้ายก็เรียกว่านรกเรียกว่าบายฝันว่ามีคนนั้นมามีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีอันตรายภัยต่างๆมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจ ถ้าฝันร้ายเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นผลของการทําไม่ดีในขณะที่เราตื่นกันเวลาเราตื่นถ้าเราไปทํำบาปเนี่ยมันก็จะเหมือนกับอัดเทปเอาไว้ถ่ายวีดีโออัดไว้เก็บไว้พอเราตอนที่เรานอนหลับมันก็มาฉายให้เราดูใหม่เหตุการณ์ต่างๆที่เราทําเนี่ยมันถูกอัดเก็บไว้ในความทรงจําของเราแต่เวลาเรานอนหลับ เหตุการณ์เหล่านี้มันก็จะผุดขึ้นมาแล้วเราก็เลยจะฝันร้ายหรือฝันดีอย่างพระพุทธเจ้าบอกคนที่ทำบุญเนี่ยคนที่มีความเมตตาเนี่ยนอนหลับจะฝันดีจะไม่ฝันร้ายแล้วก็ตายไปก็จะไปสู่สุขติไปสู่เทไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่พระนิพพาน ถ้าทำความดีทำบุญครบทุกประการก็ไปถึงพระนิพพานถ้าทำบุญไม่ครบก็ได้บางขั้นถ้าทำทานรักษาศีลก็ไปเป็นเทวได้เทวดาถ้านั่งสมาธิใจสงบก็ได้เป็นพรหมถ้าได้เจริญปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาละความอยากต่างๆได้ก็เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ ไปจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานขั้นพระอารหันต์แล้วถ้าได้ไปถึงขั้นพระนิพพาก็จะตัดการกลับมาเกิดแก่เจบตายได้อย่างถาวรเพราะใจไม่มีความอยากต้องการอะไรอีกแล้วไม่ว่าจะมีไม่ว่าจะพบไหนตายพบนี่ไม่มีไม่มีความอยากจะไปเกิดแล้วการมาพบก็ตัดแล้วตัดการมะตัญหาดูประพบก็ตัด รูปรารักะภาวะตันหาอ า, อารูปภพกตัดวิภาวะตันหาตัดหมดความอยากต่างๆเมื่อไม่มีความอยากจิตก็ไม่มีไม่มีเหตุไม่มีตัวที่จะผลักดันให้ไปเกิดในตายภพนะตายภพก็คือสังสารวัตรเนี่ยที่เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรมัตฐสงสารเนี่ยก็คือตายภพ การมาพบก็คือพบของผู้ที่ยังมีความอยากในการในรูปเสียงกลิ่นรสนะการมาพบก็มีตั้งแต่พบเทวดาลงมาเทวดาชั้นต่างๆพวกเทวดานี้เขายังเสพกามอยู่แต่เขาเสพกามเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กามทิพยนะ์คือเขาไม่ต้องมีร่างกายนะเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับนะตอนที่เราฝันดีตอนนั้นเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายพาเราไปท่องเที่ยว แต่ใจเราไปละไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปเห็นหองสวยห้องนามได้ไปกินได้ไปเดิมอาหารอะไรต่างๆตอนนั้นใจเรากําลังท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายถ้าถ้าถ้าเราฝันดีตายไปพอไม่มีร่างกายเราก็จะฝันดีไปเรื่อยๆจนกว่ากําลังของบุญของความดีที่เราทําไว้มันจะหมด เหมือนกับดูหนังอ่ะดูหนังดีไปจนกว่ามันจะหมดนวนอ่ะพอมันจบเราก็ตื่นขึ้นมามาเกิดใหม่มาได้ร่างกายอันใหม่มาเป็นเด็กทารกพอคลอดออกมาจากท้องแม่ก็เหมือนตื่นตื่นจากความฝันฝันดีหรือฝันร้ายพวกที่มาจากอบายก็มามาจากความฝันร้ายตื่นจากความฝันร้ายผู้ที่มาจากสวรรค์ชั้นพรมชั้นเทพ ก็มามาจากตื่นจากการฝันดีแล้วก็จะมาทำบาปทำบุญกันใหม่พวกที่เคยทำบาปก็จะกลับมาทำบาปใหม่พวกที่เคยทำบุญก็จะกลับมาทำบุญใหม่พราะมันเป็นนิสัยที่มันไม่ได้หายไปกับการที่ตายไปเวลาตายไปตายแต่ร่างกายแต่ใจไม่ได้ตาย นิสัยก็อยู่ที่ใจก็ไม่ได้ตายนิสัยเคยชอบทําบุญก็จะทําบุญต่อชอบทําบาปก็จะทําบาปต่อก็จะกลับมาเนี่ยมาตื่นมาได้น่างกายอันใหม่แล้วมาทําบาปใหม่พวกที่ชอบทําบาปก็ทําบาปต่อไปพวกที่ชอบทําบุญก็ทําบุญต่อไปนอกจากถ้าไปเกิดในครอบครัวที่เขา ชอบทำบุญเขาก็จะชวนเราไปทำบุญถ้าไปเกิดในครอบครัวที่ชอบทำบาปเขาก็จะชวนเราไปทำบาปบางทีเราไม่ชอบทำแต่เราก็ต้องทำเพราะเราเป็นเด็กผู้ใหญ่พาไปไหนเราก็ต้องไปกับผู้ใหญ่ถ้าเคยชอบทำบาปแต่มาเกิดในครอบครัวที่ชอบทำบุญพ่อแม่พาเรามาวัดอยู่เรื่อยๆนิสัยทำบาป ก, ก็อาจจะถูกล้างไปได้ เราไดน้นิสัยใหม่ขึ้นมาได้นิสัยทำบุญขึ้นมาหรือพวกที่มีนิสัยชอบทำบุญแต่พอไปอยู่กับครอบครัวที่ชอบทำบาปชอบเสพอบายามุขเนี่ยก็จะล้างบุญนิสัยบุญไปก็ได้ยกเวน้นถ้าเป็นนิสัยบุญเมื่อบาปที่ฝังลึกที่เรียกว่าสารดานเนี่ยอันนี้ครอบครัวจะล้างไม่ได้ จะมีนิสัยชอบทําบุญเป็นสันดานที่ชอบทําบุญถึงแม้ว่าครอบครัวจะไม่ทําบุญแต่ตัวเองก็จะชอบทําบุญถ้าตอนเป็นเด็กๆยังไม่มีโอกาสได้ทําก็ก็รอไปก่อนพอโตขึ้นมีโอกาสได้ทําตัวเองก็จะทําตามตา ม, ตามสันดานของตนพระพุทธเจ้านี่ก็ได้สันดานดีแต่มาเกิดในครอบครัวที่ ยังเป็นที่ยังต้องทำบาปอยู่เป็นกษัตริย์ยังต้องทำสงครามต้องทำอะไรแต่พระองค์ก็ไม่ได้มีความปรารถนาไม่มีสันดานไปที่จะไปเป็นมหาจากักรพรรดิท่านมีสันดานที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าพอท่านโตเต็มที่ท่านมีโอกาสตัดสินใจได้ท่านก็เลยไปทางของท่านไปทางที่ท่านชอบไปชอบทำบุญชอบภาวนา รักษาศีลท่านก็สละราชสมบัติสละครอบครัวแล้วก็ไปทางของท่านเพราะนี่คือสัญดาณของท่านท่านเคยทำแต่ความดี เ, ยเคยแต่รักษาศีลเคยแต่ภาวนาเคยแต่ทำบุญทาทานสมัยเป็นพระเวชสันดรนี่บทำบุญทาทานอย่างเต็มที่ มีมากมีน้อยใครต้องการใครเดือดร้อนมาขอก็ให้ช่วยเหลือไปมันเป็นสันดาห์ถ้าเป็นสันดาห์แล้วไม่ว่าจะไปเกิดที่ไหนกับอยู่กับครอบครัวไหนเขาจะไม่สามารถมาล้างสันดาหได้แต่ถ้าเป็นนิสัยนี่ยังพอจะล้างได้พวกที่มีสันดาหชั่วก็เหมือนกันถึงแม้วจะไปเกิดอยู่ในครอบครัวของกษัตริย์ก็ยังทําชั่วอยู่อ บางคนถึงกับค่าพ่อค่าแม่พ่อแม่ใจบุญใจกุศลแต่ลูกกับใจบาปพอพ่อแม่ทำอะไรไม่ถูกใจก็โกรธฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้อันนี้อยู่ที่สันดาลถ้าเป็นสันดาลเราแก้ยากแต่ก็ยังไม่สุดวิสัยยังแก้ได้อยู่แต่ตัวเองจะต้องเป็นผู้รู้จิตมีจิตสำนึกว่ากําลังมีนิสัยไม่ดี มวนจะแก้ไขดัดแปลงถ้าได้มีได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพระสาวกนี้ท่านก็อาจจะคอยสอนคอยบอกให้ทำความดีก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยได้เปลี่ยนสัญญาณได้แต่ต้องใช้ความพยายามมากกว่านิสัยนี่คือเรื่องความเป็นมาของพวกเราเนี่ย ทำไมพวกเราถึงเลือกมามาวัดกันตอนนี้ทำไมไม่ไปแถวโรงแรมแถวพัทยาแถวพัทยามีอาหารมีเครื่องดื่มมีบันเทิงมีอะไรต่างๆให้เราได้เสพอย่างเต็มที่จะทํารทไมเราไม่ไปกันเพราะนิสัยเราไม่ไปทางนั้นนิสัยเรามาทางนี้นิสัยเรามาหาความสงบกัน พอเราเห็นคุณค่าของความสงบว่าเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสเสบรูปเสียงกลิ่นรสแล้วเราก็เห็นโทษของมันเวลาที่มันไม่มีเสหรือเวลาที่เสบไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายไปเที่ยวไม่ได้ต้องอยู่บ้านก็มีความรู้สึกเหงา ว, ว้าเหวแต่คนที่เสบความสงบได้ เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนอยู่บ้านอยู่โรงพยาบาลก็ยังเสพความสุขได้ทั้งใจร่างกายเจ็บแต่ใจกับมีความสุขเหมือนเดิมเพอใจกับร่างกายนี้เป็นคนละาส่วนกันคนที่เสพความสุขใจนี้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือคนที่เสพรูปเสียงกลิ่นรสนี้ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพอร่างกายบกพร่องไปไม่สามารถ เสพได้ก็ทุกข์ขาดขาดความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสแต่คนที่เสพความสงบนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายมีสติทาใจควบคุมให้ใจสงบใจก็มีความสุขแล้ว <c oughs> นี่คือความเป็นมาของพวกเราเรียกว่าบุญบาปพามาพวกที่ชอบไปทำบาป ยิงนกตกปลาเนี่ยไปเที่ยวพัทยาเช่าเรือออกไปตกปลาได้ปลามาสดๆก็ทอดกันในทะเลเลยทํามั้ก่อนแล้วก็เคยไปไปหาปลาไปตกปลาได้ปลามาสดๆก็มีกระทะมีน้ํามันอยู่ในเรือทอดกันสดๆอย่างนั้นเลยพราะรสชาติมันหวานนะแต่เราก็ไม่ได้ยินดีนละเราไม่ได้ ไปเพราะอยากจะไปเพราะเพื่อนผูงพาไปสังคมพาไปก็ไปกับเขา <c oughs> แต่ไม่มีความรู้สึกจะชื่นชมยินดีหรืออยากจะทำาอ <c oughs> ดีสงสารปลาเสียดายปล า, าไปก็คิดว่าถ้าเราเป็นปลาโดนี้บ้างจะเป็นยังไง <c oughs> มันเป็นเรื่องของลิสัยที่เราได้ ได้กระทากันมามันเป็นตัวที่จะผักดันเราไปแล้วสิ่งแวดล่องก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะดึงเราไปถ้าเรามีนิสัยทาบุญแล้วได้มาเกิดในครอบครัวที่ชอบทาบุญก็ดีก็ช่วยสนับสนุนกันเป็นสองแรงนิสัยเดิมก็ชอบทาบุญแล้วครอบครัวก็ชอบทาบุญด้วยก็จะมีโอกาสได้ทำบุญอย่างเต็มที่ แต่ถ้ามิสายชอบทําบุญแต่หอบกลัวไม่ไปวัดไม่ชอบทําบุญอันนี้ก็ต้องรอโอกาสไปก่อนอย่างที่บ้านเรานี้ยเขาก็เป็นคนจีนเขาก็ไม่จีนแบบไม่มีศาสนาแล้วก็เขาไม่เชื่ออะไรเช่นนั้นเชื่อแต่เงินอย่างเดียวมีแต่หามาหากินหาเงินอย่างเดียวเขาก็ไม่เคยไปวัดไม่เคยพาเราไปวัดเรามีโอกาสไปวัดก็เฉพาะช่วงที่เรียนหนังสือ ตอนนั่นเรียนอยู่ป .1 โรงเรียนเขาก็พาเด็กเขาวัดวันพระพาไปฟังเทศพาไปขอสีลก็พอได้เรียนรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติบ้างอะไรบ้างแต่พอย้ายมาอยู่โรงเรียนคริสก็เลยไม่ได้เรียนต่อมาเรียนศาสนาคริสต์อีกต้อง8ปีก็รู้หมดคำพีบายบลมีบทไหนมัง่งมีชื่ออะไรมัง่งเขาให้ท่องจำหมด รู้เรื่องพระเยซูรู้เรื่องพระเจ้าสร้างโลกภายในเจ็ดวันอันนี้ก็มันสิ่งแวดแล้อมมันพาไปแต่พอได้เรียนจบเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองทีนี้ก็มีเวลาว่างก็ชอบหาหนังสืออ่านหาหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องชีวิตจิตใจอะไรก็อ่านไปปัชญาหนังสือปัจจาบ้างอะไรบ้าง อนนัในที่สุดก็มาเจอหนังสือพระพุทธศาสนาพออ่านจากทางหนังสือพระพุทธศาสนาแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าได้เจอของจริงได้ได้คำตอบหลายอย่างที่อ่านจากที่อื่นไม่ได้ก็เลยสนใจเลยอ่านมากขึ้นศึกษามากขึ้นตอนนั้นอ่ะมันถึงเริ่มไปทางทางของเราเองได้แล้ะ ไม่มีใครบังคับไม่มีใครสั่งให้ไปเรียนหนังสืออ่านหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาอพออ่านแล้วมันก็รู้รู้ว่าต้องทำอะไรก็ทำไปทานเราก็เป็นนิ ส, สัยเป็นประจาอยู่แล้วมีอะไรพอจะแบ่งปันให้กับใครได้ก็แบ่งปันไปเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปทำบุญสายบาตรที่วัดหรืออะไรแต่ใครเดือดร้อนถ้าเราช่วยเหลือได้ก็ยินดีที่จะช่วยเหลือ ศีนก็ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่บกพร่องอาจจะมีบ้างพูดปดบ้างบางครั้งบางคราวแต่บางทีทำไปแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจก็พยายามไม่ทําดีกว่ามันเป็นนิสัยมันมันมันบอกอยู่ในตัวเองเวลาทำบาปแล้วมันไม่สบายใจเวลาทำบุญแล้วมันสบายใจมีความสุขแต่ยังนั่งสมาธิไม่เป็น พอได้อ่านหนังสือธรรมะเข้าได้อ่านสติปัฏฐานสอนให้เจริญอาณาปณสติดูลมหายใจเข้าออกก็เลยลองนั่งดูดูลมหายใจเข้าออกดูเฉยๆดูไปแล้วมันก็เย็นสบายมีความสุขก็เลยติดใจอยากจะนั่งมากขึ้นก็เลยต้องลาออกจากการ เรเห็นว่าทํางานแล้วได้เงินแต่ไม่ได้ความสุขแต่นั่งสมาธิไม่ได้เงินแต่ได้ความสุขเอาความสุขดีกว่าก็เลยลาออกจากงานเอาเวลามานั่งสมาธิได้นั่งอยู่ได้ปีหนึ่งก็บวชตัดสินใจบวช อ, อะไรบวชเพราะต้องการจะนั่งสมาธิต้องการจะปฏิบัตธิธรรมต้องการจะดับความทุกข์ใจต่างๆ ที่มีอยู่ในใจเพราะไม่ว่าจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรความทุกข์ใจมันก็ไม่หายไปตอนต้นคิดว่าไปเรียนจบแล้วความทุกข์จะหายไปก็ไม่หายความทุกข์ก็โผล่มาใหม่โผล่ในรูปแบบใหม่ในรูปแบบต้องหางานนส่สิหางานพอได้งานก็ทุกข์กับงานเองล่ะุ่นวายกับงานกังวลกับงานทุกข์มันไม่หายไป ไม่ว่าจะได้อะไรมามันก็ยังมีทุกข์ในรูปแบบใหม่มาให้เราทุกข์อยู่เรื่อยๆแต่พอมานั่งสมาธิทาใจให้สงบทุกข์หายไปหมดเลยเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจก็เลยเอาทางนี้ดีกว่าไม่ต้องการเงินทองเงินทองก็พอมีเคยใช้ไปเที่ยวรอบโลกโลกก็เคยไปมารอบหนึ่งละ ตอนที่ไปเรียนสารัฐก็ไปทางญี่ปุ่นไปทางแวะฮ่องกงญี่ปุ่นฮาวายขา ก, กลับก็มาแวะทางยุโรปมันก็เห็นมาพอสมควรนะมันก็ไม่เห็นมีอะไรความทุกข์ก็ไม่หายไป ท, ทันทีความทุกข์มันก็ยังมีอยู่ความสุขที่ได้ก็หายไปหมดความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปหมดก็เลยว่าอ น, นี่ไม่ใช่วิธีดับทุกข์ก็เลยต้องค้นคว้าหาหนังสืออ่าน หาคำตอบในที่สุดก็เจอผู้เจ้าผู้เจ้าบอกต้องภาวนาต้องทำใจให้สงบต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็จะกําจัดความอยา ก, กต่างๆได้พอไม่มีความอยากแล้วความทุกข์หายหมดเลยทีนี้จึงรู้ว่าเนี่ยความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้พอไม่ได้ก็เสียใจโกรธ น้อยอกน้อยใจพอได้มาก็ดีใจเดียวเดียวเดี๋ยวก็อยากได้ของใหม่แต่พอมานั่งสมาธิมาฝึกใช้ปัญญาคิดเตรมอให้เห็นว่าทุกอย่างที่เราอยากได้นมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงได้มาแล้วสุขที่ได้หายไปไปเที่ยวในสุขกันพอกลับมาบ้านหายไปหมดแล้วความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ ก็เลยตัดความอยากต่างๆไปเวลาอยากอะไรก็ฝืนมันบังคับใจอยากไปทำตามความอยากให้อยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆมานั่งจงนั่งสมาธิเดินจงกรมแทนมันก็จะไม่ทรมานใจเวลาสู้ความอยากนี่มันต้องมีสมาธิมีสติช่วยนอกจากมีปัญญาบอกแล้วว่าอยากไปทำตามความอยากแต่มันยังไม่ยอมหยุดเราก็ต้องหาวิธี ไม่ไปทำตามความอยากแทนที่จะไปทาตามความอยากเราก็มาเดินจงกรมมานั่งสมาธิแทนพอจิตสงบความอยากนั้นก็จะหายไปคราวหน้ามันโผล่ขึ้นมาก็ทำอย่างนี้อีกเดี๋ยวไม่กี่ครั้งมันก็หมดกำลังแล้วมันก็จะไม่กลับมายุ่งกับเราอีกต่อไปแต่เราต้องมีปัญญาต้องรู้ว่าที่ทำอย่างนี้เพราะว่าถ้าทาตามมันแล้วมันจะไม่มีวันสิ้นสุดมันจะอยากไปเรื่อยๆแล้วมันจะทุกข์ไปเรื่อย เพราะว่าอยากได้อะไรมามันก็ได้ได้มาเดี๋ยวเดียวความสุขที่ได้มาเดี๋ยวเดียวก็หายไปเนีย่ยมันต้องรู้ด้วยปัญญาด้วยว่าที่เราไม่ทําตามความอยากเพราะว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดพากจากกันเวลาพัดพากจากกันก็เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับกัน แล้วก่อนไม่มีแล้วไม่กม็เห็นเดือดร้อนพอมีแล้วพอไม่มีกลับเดือดร้อนพอไปผูกมีความผูกพันพอไปติดกับความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านั้นพอความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านั้นมันหายไปก็ยังอยากจะให้มันกลับมาความอยากก็เลยทำให้กวลกวายกระสับกระสายหงุดหงิดตำคาญใจกินไม่ได้นอนไม่หลับวิธีแก้ก็ต้องเนี่ยอย่าไปทาตามความอยาก มาฝึกสติเดินจงกรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบเอาใจสงบความอยากก็จะหยุดไปแล้วต่อไปเราก็จะไม่กลัวความอยากมันอยากเท่าไหร่เราก็ไม่ต้องทำตามมันพอเรามีสติดูมันเฉยๆมึงจะอยากกูไม่ให้ทำมันก็มันก็ยอมแพ้ล้วละเมื่อก่อนนี้พอมันอยากปั๊บมันรู้พอมันอยากปั๊บมันอยากเรานี่เราต้องไปละ แต่เดี้กดนี้เราฝืนมันได้ว่าไม่ไปพอเราฝืนมันปั๊บเดี๋ยวมันก็หายไปมันก็เป็นช่วยความอยากมันก็มาจากความคิดนี้เองพอคิดมันก็อยากพอเราไม่ไปคิดถึงมันปั๊บมันก็หายอยากหรือไปไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันไม่น่าอยากได้เช่นอยากได้แฟนก็ดูวสุภาพบ้าง ดูอาการสาสิบสองของแฟนบ้างพอเห็นอาการสาสิบสองของแฟนก็ไม่อยากได้แฟนแล้วแต่เห็นทั้งเห็นเข้าไปใต้ผิวหนังไม่จะเห็นแต่เฉพาะผมขนเละฟันหนังต้องเห็นเนื้อเห็นเอ็นเห็นกระดูกเห็นเยื่อในกระดูกเห็นม้ามเห็นหัวใจเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยเห็นสมองเยื่อในสมองศีรษะ เห็นน <cin stereotype> ้ำต่างๆน้ำดีน้ำเะเลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกเนี่ยมีอยู่ในร่างกายที่เราหลงไหลยข้างใครเนี่ยที่เราอยากจะได้มาเป็นแฟนเนี่ยแต่เราเห็นเพียงแต่ห้าอาการของเขาเราเห็นผมเขาเห็นขนเห็นเลือเห็นฟันเขาแล้วก็รักเขาละเพราะเราไม่เห็นเนื้อไม่เห็นเอ็นไม่เห็นกระดูกเนี่ย แต่เห็นกระดูกก็กลัวแล้วเห็นโครงกระดูกก็วิ่งหนีแล้วมีอยู่กั น, กนทุกคนแต่มองไม่เห็นกันเห็นกระโหลกศีรษะควะ่กลับเป็นห ล, ลงหลาหลงไหลข้างใครยิ่งเห็นยิ่งชอบเพราะมีหนังหุ้มห่ออยู่เทานั้นเองแต่ใช้ปัญญามันก็จะทำให้หนังนี่กลายเป็นหนังหนังใสไป เห็นกระโหลกศีรษะที่ที่ผิวผิวผิวหนังครอบอยู่คนเราเห็นกระโหลกันทุกวันแต่มองไม่เห็นกันเจอกระโหลกันทุกวันแต่ไม่เห็นกระโหลกศีรษะของกันและกันเห็นแต่จมูกเห็นแต่ตาเห็นแต่คิ้วเห็นแต่ปากแล้วก็แต่งคิ้วแต่งตาแต่งปากกันไปไม่เห็นว่าข้างใต้มันมีอะไรอยู่ ข้างใต้ก็มีกะโหลกศีศรษะนี่ใช่ไหมลองคํำดูลองอเคาะดูลองคิดบ่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะได้หายหลงต่อให้เป็นดาราภาพยนตร์เป็นนายแบบนางแบบเป็นอะไรก็ตามมันก็เป็นแค่หนังคุ้มกระโหลกศีศรษะนี่แล้วก็มีผมโผล่ออกมา นี่คือการดูคิดแบบที่จะทำให้เราเลิกความอยากได้ถ้าเราไปคิดในด้านสวยงามมันก็อยากได้แต่ถ้าเราไปคิดด้านไม่สวยงามมันก็ไม่อยากได้เช่นอาหารถ้าเราไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานมันก็หิวขึ้นมาอยากกินขึ้นมาแต่ถ้าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในซุ้มมันก็กินไม่ลงนะ <laughs> อ่านก็อาหารเหมือนกันไม่ใช่อาหารเก่าอาหารใหม่ อาหารมหม่ก็อยู่ในจานอาหารเก่าก็อยู่ในซุวมอาหารเก่ามันก็มาจากอาหารใหม่เวลาอดอาหารมันต้องใช้อย่างนี้มันถึงจะไม่หิวถ้าอดอาหารแล้วไปคิดตาถึงอาหารที่อยู่ในจานมันจะหิวใหญ่คนที่ถือศีลแปดเนี่ยคนที่ไม่ได้กินข้าวเย็นเนี่ยตอนเย็นมันจะหิว เั่นต้องใช้วิธีแก้คิดถึงอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานในชามใะกไปคิดถึงอาหารที่มันอยู่ในซุ้มแล้วมันจะไม่หิวมันจะไม่อยากกินนะเอาอนี้คือวิธีแก้กิเลสตัณหาความอยากนะต้องดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามไม่น่ารักไม่น่ากินไม่น่าดูถ้าไปดูส่วนที่น่ากินน่าดูมันก็อยากจะกิน ดูส่วนที่สวยก็อยากจะได้ดูกระเป๋าดูรองเท้าไปดูที่กองขยะนั่งที่เขาทิง้ง <c oughs> <c oughs> ไ, ไม่อยากได้เสื้อผ้าที่เขาทิ้งตามกองขยะเนี่ยแดี๋ยวมันก็กลายเป็นขยะไปหม ด, ดนี่คือให้ดูเราต้องดูย้อนสอนดูต่างมุมมองต่างมุมอย่าไปมองมุม มุมของกิเลสเนี่ยพวกเราทุกวันนี้ถูกกิเลสสอนให้มองในมุมสวยงามในมุมที่น่ารักน่าดูน่าชมเราก็เลยอยากกันอยากได้กันอยากมีกันเราไม่ไปมองมุมที่มันไม่ม น, ไมน่าดูไม่น่าอยากได้กันพระเจ้าจึงต้องมาสอนให้มองมุมกลับแต่คนที่ไม่รู้จกักศ า, าสานาพูทธก็เลยหาว่าศาสนาพุทนี้เป็นศาสนา มองโลกในแง่ร้ายไปมันไม่ได้แง่ร้า ย, ายหรอกมันเป็นการแก้คือให้มองให้มองมองทั้งสองด้านโลกมันมีทั้งแง่ดีและแง่ร้า ย, ายมันมาด้วยกันมีเกิดแล้วก็มีตายแต่เราชอบะเลี้ยงมันเกิดกันฉลองมันเกิดกันไม่ชอบฉลองมันตายกัน <laughs> <laughs> เวลาตายนี่เราไม่ได้ฉลองคนอื่นเขาฉลองให้เรา บางเวาควรจะฉลองวันตายกันเพราะเราจะให้เตรียมตัวตายกันแทนที่จะฉลองมันเกิดมันเกิดมันผ่านมาแล้วมันถ้าอยากจะฉลองก็ฉลองวันตายปีหนึ่งลอากําหนดวันตายขึ้นมาสักวันนนี่คือวันตายของเรานะเรามาเลี้ยงวันตายกันถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วกิเลสตัณหาความอยากความโลภต่างๆมันจะเบาบางลงไปหรือดีไม่ดีก็หมดไปเลยะ อไม่มีกิเลสตัณหาแล้วไม่มีอะไรมากวนใจหรอตัวที่กวนใจเราก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่เองพอไม่มีแล้วอยู่สบายอยู่เฉยๆไม่ต้องทาอะไรก็มีความสุขความสุขที่เกิดจากใจนิ่งใจไม่มีความอยากไม่มีความโลภความโกรธความหลงอันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอด พอเราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องไปอ้างอิงกับอะไรตอนนี้ความสุขของพวกเราไปอ้างอิงอยู่กับลาบยศสรรเสริญไปอ้างอิงอยู่กับคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอลาบยศสรรเสริญคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้หายไปเราก็ทุกข์ละความสุขก็หายไปความทุกข์ก็ตามมาทันทีแต่ถ้าเราหาความสุขจากการหยุดความอยากหยุดความโลภได้ดีกว่า พอไม่มีความโลภความอยากแล้วใจก็เกิดความสุขขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่มีวันหายไปเพราะมันไม่ได้ไปอ้างอิงกับใครมันจะหายไปก็เฉพาะเวลากิเลสเป็นกลับมาใหม่เวลาความโลภความอยากกลับมาใหม่เท่านั้นเองแต่ถ้าเราเคยเอาชนะมันได้แล้วต่อไปมันกลับมามันก็เอาชนะเราไม่ได้ถ้าเราเคยชนะมันแล้วมันมันไม่สามารถมาจะเอาชนะเราได้แต่ตอนนี้เราไม่เคยชนะมันเลยใช่ไหม มีแต่ท้าแพ้มันไปตลอดเลยมันอยากให้ดื่มกาแฟาก็ดื่มกันเนี่ยอยากจะเที่ยวก็เที่ยวกันอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อกันไปมันชนะเรามาตลอดถ้าเราลองชนะมันดู่ยต่อไปมันก็จะไม่สามารถมาชนะเราได้ถ้าเราชนะการดื่มกาแฟาได้ต่อไปมันจะอยากดื่มยังไงเราก็ไม่ดื่มได้เพราะเรารู้ว่าดื่มไม่ดื่มก็มไม่ตายเนะี่ยคนที่เ็าไม่ดื่มไม่เห็นเขาตายกนะันเลย ทำไมเราต้องจะตายให้ได้เวลาไม่ได้ดื่มเพราะเราไม่เคยสู้กับมันเรายอมมันตลอดเวลาพอมันสั่งปั๊บแล้วก็รีบทำเลยไหนไปเอากาแฟมาปั๊บไปเลยต้มน้ำเตรียมถ้วยเตรียมอะไรเลยลองสู้กับมันดูสิถ้าชนะมันแล้วต่อไปมันจะไม่กล้ามาท้าท้าทายเราเองตอนนี้มันท้าทายเราเพราะมันรู้ว่ามันชนะ มันสั่งอะไรเราเราต้องทำตามมันสั่งถ้าเราไม่มีกำลังเราก็ต้องมาฝึกสติฝึกสมาธิกันฝึกปัญญากันอันนี้แหละจะเป็นกำลังที่เราจะสามารถใช้ต่อสู้กับความอยากกับความโลภต่างๆได้ถ้าเราสามารถกำจัดความโลภความอยากต่างๆหมดแล้วไม่มีอะไรต้องทำอีกต่อไปใจไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วเพราะไม่ต้องการอะไรในโลกนี้แล้ว ไม่ต้องการรูดเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ <c oughs> ไม่ต้องกลับมาเกิดในกามะพมุทไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นแม้แต่ความสงบที่เกิดจากสมาธิก็ไม่ต้องการเพราะไม่ต้องเข้าสมาธิก็มีความสุขได้คนที่ไม่มีความอยากไม่มีความโลภไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องเข้าไปในฌานเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเข้าฌานส การเข้าชามันก็สุกชั่วขณะที่อยู่ในชานพอออกมามันเดี๋ยวมันก็หายไปความหายไปเพราะความอยากมันโผล่ขึ้นมาความโลภมันโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเรากำจัดความโลภความอยากได้เราก็ไม่ต้องเข้าชาเพราะตัวที่ทําให้เราวุ่นวายใจมันก็คือตัวความโลภความอยากนี่พอเรากำจัดมันได้ใจเราก็สงบเหมือนกับเข้าชาดีกว่าเข้าชาสิไม่ต้องเพลงไม่ต้องพุโทโธไม่ต้องดูลมให้เหนื่อย เพียงแต่หยุดความอยากให้ได้หยุดตัณหาหยุดความโลภความโกรธความหลงให้ได้เท่านั้นใจก็กลับมาเป็นปกติอย่างตอนนี้ใจพวกเราก็ปกติใช่ไหมสบายตอนนี้ไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากสบายแต่จะสบายได้สักกี่กี่น้ํำท่านเองเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็เกิดความโลภขึ้นมาในเวลาเกิดขึ้นมาก็ต้องหยุดมันเสพฟื้นมันออย่าปล่อยอย่าไปทําตามมัน ถ้าต้องทําก็ทําเพื่อร่างกายเท่านั้นเรายังมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูร่างกายก็ทําเพื่อร่างกายถ้ามันหิวน้ําก็กินน้ําเปล่าไปสิทําไมต้องกินกาแฟด้วยเน้ําเปล่าร่างกายไม่ต้องการน้ําก็ให้น้ํามันไม่ต้องให้น้ํากาแฟไม่ต้องน้ำให้น้ําแป๊บซี่ไม่ต้องให้น้ำไวน์น้ําเบียร์เวลาต้องการน้ําก็ให้น้ํามันไปเวลาต้องการอาหารก็ให้มันไปให้มันวันละมื้อก็พอไม่ต้องให้วันละสามสี่มื้อหรอก วันสามสี่มื้อเนี่ยมันให้ตามความอยากถ้าให้ตามความต้องการของร่างกายให้วันละมื้อเดียวก็พอเี่ยพระพุทธเจ้าสอนพระให้ถือข้อทุดงเขาว่าให้ฉันมื้อเดียวแล้วให้ฉันแบบง่ายๆฉันได้บาทเนีอาหารที่จะเข้าไปในท้องให้มันไปรวมกันในบาทก่อนของเค้าของหวานของอะไรไถเข้าไปในบาทคนมันไปเหมือนกับเวลามันอยู่ในท้องแล้วค่อยเอาเข้าไปในท้อง ถ้ากินแบบนี้มันไม่ได้กินด้วยความอยากไม่ได้มีความอยากในรสชาติต่างๆกินด้วยความจำเป็นกินเพื่อร่างกายไม่ได้กินเพื่อตัญหาความอยากตันหาก็คือการมตันหาความอยากในกกรูกเสียงกลิ่นรสของอาหารนั่นเองต้องกินอาหารจั evet, ่ต้องกินอาหารนี่ก่อนก่อนจะกินอาหารนั้นกินของค้าวก่อนแล้วค่อยกินของหวานกินของหวานแล้วค่อยดื่มเครื่องดื่ม แล้มันก็ไปรวมกันในท้องอยู่ดีมันจะไปไหนเวลากินเข้าไปแล้วมันก็อยู่ในท้องเออนีนก่อนที่มันจะไปรวมกันในท้องเราก็พระพุทธเจ้าบอกให้รวมกันในบาตก่อนรวมกันในบาตแล้วค่อยถ้ากินแบบได้มันไม่ได้กินด้วยความอยากกินะมันกินด้วยเหมือนกินด้วยความจาใจกินเพื่อดับความหิวกินแบบกินยาเราอยากกินยากันไหมไม่ไม่อยากกินยาแต่ต้องกินยา ก็กินเพื่อจะได้รักษาโาครคภัยไข้เจ็บของร่างกายอาหารนี่ก็เป็นยาเหมือนกันเราคนจะกินแบบยาไม่ควรจะกินแบบความอยากกินแบบยา ก, ก็กินแบบที่ไม่อยากกินวิธีที่ไม่อยากกินก็เอามาคลุกกันของหวานของค้าวแกงเผ็ดแกงจืดใส่ไปในบาทแล้วก็คลุกมันเข้าไปของอะไรที่เราจะเข้าไปในท้องเอาเอ า, เอามาคลุกกันไว้ก่อน ยวไม่มีบาทก็เอากะละมังก็ได้เอาชามใบใหญ่ๆลองกินดูสักมื้อดูเลยเราจะมีความสุขเราจะไม่อยากกินข้าวอันนี้ดัดนิสัยพวกที่เบื่อข้าวกินไม่ลงกินไม่ลงก็อยากกินมันลองลองไม่ได้กินสักวันเดี๋ยวอะไรก็กินได้คุกกันในบะคุกกันในชามก็กินได้หมด แต่ถ้าเรากินบ่อยๆมันก็จะเบื่อกินมาเราต้องสามสี่ครั้งมันก็เบื่อสิกินไม่ลงลนี่คือวิธีแก้ความอยากแก้ความโลภต่างๆถ้าเราชนะความโลภชนะความอยากได้แล้วเราเป็นอิสระไม่มีใครมาเป็นเจ้านายเราอีกต่อไปเราอยู่เฉยๆได้ไม่มีเจ้านายมาสั่งให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไป ก็จะอยู่อย่างนี้ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดพอไม่มีร่างกายนี้ใจก็อยู่เหมือนเดิมอยู่โดยไม่มีความอยากอยู่โดยไม่มีความโลภใจที่ไม่มีความโลภความอยากก็เรียกว่านิพานท่านเองนิพานไม่ได้เป็นสถานที่เป็นใจที่สะอาดไม่มีกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆใจที่ยังมีกิเลสตัณหาก็ยังต้องมาไปเกิดเป็น เป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานไปเป็นเทวดาไปเป็นอะไรต่างๆตามบาปตามบุญที่ทำเพราะเวลาเกิดความอยากมันก็ต้องไปทำไปหาของที่เราอยากได้มาถ้าหาโดยไม่ทำบาปไม่ได้ก็บางทีก็ต้องไปหาด้วยการทำบาปพอทำบาปมันก็เลยต้องไปใช้ผลบาปส่วนบุญถ้ามีคนสอนให้เราทำบุญเรื่องเราชอบทำบุญเราก็จะไปสวรรค์ ทำไมเราทำบุญก็เพราะว่าเวลาเราอยากได้แล้วเราหามาแล้วมันได้มากกว่าที่เราจะใช้หมดเราก็เลยแบ่งเอาไปทำบุญเช่นเราทำงานนี้บางทีเงินได้มามากกว่าที่เราจะต้องใช้ได้เราก็เลยแบ่งไปทำบุญเราก็ได้ทำบุญไปเราก็ได้ไปสวรรค์กันแต่เราก็ต้องกลับมาเกิดอีกเพราะเรายังมีความอยากอยากได้ลูปเสียงกลิ่นรดอยู่ก็ยังต้องกลับมามีร่างกายต่อไป จนกว่าเราจะตัดความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะไม่ต้องมามีร่างกายของมนุษย์ไม่ต้องมีร่างกายของเดรัจฉานไม่ต้องเป็นเปรตไม่ต้องเป็นเทวดาแต่ถ้าเรายังหาความสุขจากความสงบอยู่ <live> นั่งสมาธิอยู่เราก็ยังไปเป็นพรมอยู่แต่ถ้าเราไม่หาความสุขจากจากความสงบเราหาความสุขจากการตัดความอยากตัดความโลภเราก็ไม่ต้องไปเกิดที่ไหนต่อไป อันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าเจ้าทรงค้นพบเนี่ยวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขโดยตลอดก็คือให้เราตัดความโลภตัดความอยากแต่การที่เราจะตัดโลภตัดความอยากได้นี่เราต้องไต่เต้าขึ้นมาจากจากที่ต่ำเราต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมาเครื่องมือที่จะต่อสู้กับความโลภความอยากได้ก็คือการทำบุญการไม่ทำบาปเนี่ยการนั่งสมาธิไม่เป็นเครื่องมือแต่ พอเราไปถึงจุดหมายปลายทางของเราเราก็ไม่ต้องใช้การทำบุญทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิต่อไปพอเรากาจัดความโลภกาจัดความอยากได้หมดแล้วเราไม่ต้องทำบุญก็ได้ไม่ต้องรักษาศีลก็ได้ที่ไม่ต้องรักษาศีลเพราะอะไรเพราะเราไม่เราไม่ทำบาปอยู่แล้วเราไม่มีความอยากได้แล้วเราจะไปทำบาปให้เสียเวลาทาไมคนเราที่ทาบาปกันเพราะอยากได้กันอยากได้นู่นอยากได้นี่ พอได้โดยวิธีสุดจริตไม่ได้ก็เลยต้องเอาวิธีทีวิธีทำบาปกันแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วมันจะไปทำบาปได้อย่างไรบุญก็ไม่บุญทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ถ้ามีก็ทำไม่มีก็ไม่ทำไม่เดือดร้อนพอใจไม่มีความทุกข์ไม่มีความอยากได้อะไรแม้แต่บุญก็ไม่อยากได้ <c oughs> นี่แหละคือ <c oughs> การตัดสู้ของพธธระท้ารู้ตรงเนี้ยรู้ตรง รู้ที่ว่าความอยากนี่แหละความโลภนี่แหละเป็นตัวที่สร้างความไม่สบายใจสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับเราถ้าเรากำจัดไปได้ใจเราก็จะสบายใจเราก็จะไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขตลอดเวลาเป็นบรมมาสุขเพราะเป็นความสุขที่ไม่จางหายไปเหมือนกับความสุขต่างๆที่เรากำลังมีอยู่ขณะ น, นี้ได้มาปั๊บเดียวก็หายไปได้กินได้ดื่มของที่เราชอบก็มีความสุข เดี๋ยวสักพักก็หายไปแล้วความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาความทุกข์ก็ตามมาเราต้องคอยกำจัดความอยากถึงแม้เราจะได้ทำบุญถึงแม้จะได้รักษาศีลถึงแม้จะได้นั่งสมาธิถ้าเรายังไม่ทำลายความอยากยังไม่ฝืนความอยากอยู่เราก็ยังยังทุกข์อยู่แต่การทำบุญการรักษาศีลการ นั่งสมาธินี่มันเป็นการสร้างกำลังใจให้เราสามารถฝืนความอยากได้สู้ความอยากได้เป็นกำลังด้วยการใช้ปัญญาของทาา่าเจ้าให้เรามองสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงหรือมันไม่ได้าดูน่าชมเช่นดูร่างกายคนก็ให้ดูอาการสามสิบสองเขาหรือดูตอนที่เขาตายไปดูตอนที่ร่างกายตายไป น่าดูน้าชมไหมตอนที่ตายไปแล้วขึ้นอืดพองขึ้นมารื้อเน่าออเฟะส่งกลิ่นเม้นนี่คือเรื่องของการใช้ธรรมะของพระเจ้ามาทำลายความโลภทำลายความอยากต่างๆถ้าเราทำบุญทำทานรักษาศีลไปเราก็จะมีกำลังที่จะนั่งสมาธิกัน มีกำลังนั่งสมาธิแล้วเราก็จะมีกำลังที่จะไปมองโลกในแง่ร้ายกันเพราะกิเลสมันไม่ชอบให้เรามองโลกในแง่ร้ายกันมันชอบหลอกให้เรามองโลกในแง่ดีเพราะดูแล้วมันจะทำให้เราหลงทำให้เราลัดทำให้เราชอบทำให้เราติดทำให้เราอยากกันแล้วพอเราไม่ได้หรือพอเราเสียสิ่งที่เราได้มาเราก็จะทุกข์กันร้องห่มร้องไห้กันแต่ถ้าเรา ม, ามองโลกในแง่ร้าย มันก็จะทำให้เราไม่อยากได้ ไ, ไม่อยากจะกลับมาเกิดถ้ามองว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยมองไปบ่อๆก็ไม่อยากจะกลับมาเกิดเกิดทีไรก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายทุกทีเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เรามองแง่โลกในแง่ร้ายเพราะมันเป็นปัญญาเป็นความจริง เ, เรามองโลกเพียงครึ่งเดียวเรามองโลกในในแง่ดีมันก็เลยทำให้เราติดโต ทำให้เราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆถ้าเรามองโลกในแง่ร้ายเราก็จะได้ไม่อยากจะกลับมาเกิดพอเกิดแล้วมันก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายนี้การที่เราจะหยุดได้เนี่ยเราก็ต้องไต่เต้าขึ้นมาจากการทาบุญทำทานจากการรักษาศีลก่อนตอนนั้นก็รักษาศีลห้าพอรักษาศีลห้าได้เดี๋ยวเพิ่มอีกสามข้อก็ไม่ยากรักษาศีลแปด สาสินแปดได้ก็จะมีเวลามาจเจริญสติมาวควบคุมใจให้หยุดคิดเพราะความคิดมันจะทำให้เกิดความอยากพอคิดถึงอะไรก็อยากจะได้สิ่งนั้นพอเราไม่คิดเราก็ไม่ได้อยากให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือใหม่ๆยังไม่เป็นก็สวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์อิติปิโสไปร้อยจบยนี้สวดแล้วมันก็จะทำให้ใจเราลืมเรื่องราวต่างๆ พอไม่มีเรื่องราวต่างๆใจก็เบาสบายมีความสุขก็จะเห็นคุณค่าของการฝึกสติเห็นคุณค่าของการนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิได้ยิ่งจะสงบมากกว่าการฝึกสติเลยเพราะนั่งสมาธินั่งเฉยๆได้จิตมันจะรวมมันจะถอนออกจากร่างกายร0อยเปอร์เซนมันจะถอนออกมาถอดปลั๊กใจม า, จมาส่งกระแสใจมาเกาะที่ร่างกายมีปั๊กอยู่ห้ารู ที่ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยใจมาเอาอภรักมาเสียเพื่อจะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านทางร่างกายแต่เวลานั่งสมาธินี้เหมือนกันเราถอดลักออกไม่ยอมไม่รับรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆใจก็จะว่างจะเบาจะเย็นที่เราหนักอกหนักใจกันก็เพราะรูปเสียงกลิ่นรสที่เราเห็นนี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกเห็นรูปคนนั้นคนนี้ก็ไม่สบายใจขึ้นมาละวจะยินเสียงคนนั้นคนนี้ก็ไม่สบายใจขึ้นมา พอเรานั่งสมาธิเหมือนกับเราถอดปลั๊กออกไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นเไมร่รับรู้เรื่องอะไรของร่างกายร่างกายตอนนั่งมันจะเจ็บยังไงพอจิตสงบแล้วมันไม่รู้สึกเดือดร้อนพอบางทีร่างกายมันหายไปจากความรู้สึกเลยอันนี้แหละเป็นของมหาจัจจ์ของมหาสัรย์แท้จริงของโลกเนี่ยโลกนี้ก็มีสิ่งมหาจัจจ์อยู่อยู่เจ็ดชนิดของโลก ของโลกอะไรของโลกโบราณแล้วก็เจ็ดชนิดของโลกปัจจุบันแต่ของพวกนี้มัน ไ, ไม่อัศาจรรย์ดูแล้วก็เฉยๆแต่ถ้าลองมาเจอความสงบที่จิตรวมเป็นหนึ่งดูเถมันจะอัศาจรรย์ใจจริงๆมันเป็นความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนความสุขที่ได้พบกับความว่างความว่างนี่แหละเป็นความสุขที่มาหาอัศาจรรย์ใจนิบานางประมังสุนย์ยเนี่ยนิพานนี้เป็นความว่าง เต็มร้อยสมาธิยังเป็นความว่างชั่วข่าวไม่เต็มร้อยสมาธิเวลารวมกันก็ว่างทาจะเรียกว่าสมาธิเป็นนิบานิพานชั่วข่าวก็ได้แต่ไม่ถาวรเพราะว่ากิเลสตัณหา ย, ยังไม่ถูกกาจัดเพียงแต่ถูกกดเอาไว้ด้วยกำลังของสติเท่านั้นเองเพอถอนออกจากสมาธิมากำลังที่กด ก, กิเลสตัณหามันก็เบาลงไปอ่อนลง กิเลสตัณหามันก็โผล่ขึ้นมาใหม่นแต่ถ้าใช้ปัญญากำจัดมาแนละ้วมันจะหายอย่างถาวรมันจะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปใจก็จะว่างอย่างถาวรนั่นแหะว่างอย่างถาวร น, นะ น, นะนั้นเรียกนิพพานังปรามังสุญญงความว่างความว่างสุดๆเนี่ปรมังก็สุดๆความว่างเต็มที่เต็มร้อยคือนิพพาน คือใจที่ว่างจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆพอว่างแล้วก็เป็นปรมังมสุขขังขึ้นมาเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นได้ต้องเอาความยากความว่างระดับสมาธิก่อนมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการใช้ปัญญาต่อสู้กับปัญหาความอยากเพราะถ้าเราไม่มีความสุขทางใจนี้เราเลอกทาตามความอยากยาก คนที่ติดยาติดบุหรี่ติดเหล้านี่เลิกไม่ค่อยได้หรอกถ้าถ้าไม่มีกําลังที่จะทําใจให้สงบได้เพราะเวลามันอยากแล้วมันไม่ได้ทามันมันทรมานมันโหยแต่ถ้าใจที่มีสมาธิแล้วจะไม่โหยใจจะเฉยเฉยจะฝืนได้สู้กับความอยากได้เราต้องอาศัยการทำสมาธิเป็นเครื่องมือแต่สมาธินี้ไม่ใช่เป็นผลสุดท้ายที่เราต้องการ ผลสุดท้ายที่เราต้องการก็คือการกําจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจสมาธิปัญญาเป็นเพียงเครื่องมา้าเครื่องมือที่เราจะใช้ในการต่อสู้กับความอยากในการที่เราจะกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจพอหมดแล้วใจเราก็ไม่ต้องทําอะไรต่อไปมีความสุขเต็มที่ไม่ต้องไปดูไปฟังไม่ต้องไปทําอะไรอย่างที่เรากําลังทํากันอยู่ตอนนี้ ตอนนี้เรายังต้องดูต้องฟังต้องกินต้องเดิมอต้องไปเที่ยวต้องไปพบกับคนนั้นอยู่กับคนนี้เราก็ต้องไปเจอกับความทุกข์เพราะเวลาสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปคิดถึงคนนั้นเวลาไปหากันใหม่ๆเจอกันใหม่ๆก็ดีอกดีใจแล้วอยู่กันสักพักเดี๋ยวก็ทะเลาะกันนะทะเลาะกันไปดีกว่าไม่เยี่ยมพอคุยกันสักพักเดี๋ยวคุยกันคนละเรื่องอ่ะคุยกัน คุยเรื่องไม่ถูกใจกันไม่ถูกคอกันเดี๋ยวก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้กันนะ่ะนี่คือความสุขที่เรากำลังหากันอยู่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ให้ความอิ่มความพอได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอคนถึงมีแสนล้านหมื่นล้านกันนะ่ะไม่รู้จะเอาไปทำไมแต่มันไม่พอมันอยากได้นั่นนะเอามาแล้วก็ไม่ได้ใช้เหมือนใช่ไหมหมื่นล้านแสนล้านจะไปใช้ทำอะไร กินข้าวมื้อละกี่มัดกินข้าวมื้อละกี่ล้านกันนะ่ะมื้อละร้อยก็อยู่ได้แนละ้วแต่ความอยากมันไม่หยุดเนะี่ยแล้วพอมันไม่ได้แนละ้วมันรู้สึกหงุดหงิดําคาใจายพันล้านแล้วเห็นคนอื่นเขาได้หมื่นล้านแล้วรู้สึกน้อยใจอยากจะได้พันหมื่นล้านเหมือนกับเขามากหรืออยากจะได้มากกว่าเขาอันนี้แหละมันก็จะหลอกเราไปเรื่อยๆ เ, เหมือนกับวิ่งตะคุบเก่าเคยเคย เคยจับเงาเราได้ไหมเงาที่มันทอดอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเราไปตะคุบ ม, มันดูเลยเราไปวิ่งไล่มันดูมันก็วิ่งหนีเราเหมือนกับองค์โคลิมาวิ่งตามพระพุทธเจ้าวิว่งยังไงก็ไม่ทันนะเราต้องหยุดความอยากแล้ว เ, เราจะมีความสุขกันถ้าเราทำตามความอยากเราจะไม่อิ่มไม่พอเราจะอยากไปได้เรื่อยจะหิวไปไเรื่อยแล้วเราจะทุกข์เวลาที่เสียสิ่งที่เราได้มา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 จันโทปณะระโสยถามณิโชติระโสยถาสพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคายุโกภะอภิวาธานสีลิศานิจังอุทตาปจายิโนจตารุธรรมาวัฏานติ อายุวนันโอสุขังภาลาังวันนี้ทางเฟ e บุ๊กเข้ามาเท่าไหร่วันนี้เฟซบุ๊กสูงจุด497ค่ะอ๋อเกือบห0าร้น ะ, ะวันนี้ยูทู e สูงสุด124ค่ะอ๋อวันนี้ยูทู b e ก็เกินร้อยแต่ด้งว่าทุกคนกลับที่ทำงานแนละ้ <c oughs> <laughs> วพอทำงานก็มีเวลาเปิดติดตามได้ เสาที่ก็จะไปต่างจังหวัดกัน่ะไปทำอะไรกันก็เลยลดน้อยเสาที่ก็สามร้อยกว่าแต่พอวันธรรมดาก็เกือบห้าร้อยเกือบร้อยกว่ามีอะไรอยากจะถามไหมโยมที่มาจากมหาไทยไ่อยากจะมาดู บ, บรรยากาศอยากจะถามอะไรััครบไหมม า, มาครับ ทำไมเวทนาเวลาที่อยู่ในสมาธิถึงมีอนุภาพและมีมีผลกับเราเยอะกว่าเวลาที่แบบเราไม่นั่งสมาธิครับว่าเวลาเราไม่นั่งสมาธิร่างกายเราเคลื่อนไหวทำอะไรต่างๆเวทนามันก็เลยไม่ค่อยเกิดแต่พอเรานั่งเฉยๆนี่นั่งนานๆมันก็จะเกิดความเจ็บขึ้นมาเป็นธรรมชาติของร่างกาย น้เหมือนเวลาที่นั่งอยู่เหมือนกันแบบนี้ครับถ้าเกิดเรานั่งดูทีวีดูอะไรปกติเนี่ยนั่งขับสมาธิอยู่เหมือนกันก็ไม่ได้ปวดอะไรแต่ว่าพอพึ่งอยู่ในสมาธิเหมือนมันปวดมากปวดเยอะมากนะครับก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าเรามีอะไรดูมันเพลินเนี่ยพอเราเพลินกับสิ่งที่เราดูใจเราก็เลยไม่มายุ่งกับกังวลกับเรื่องของความเจ็บความกังวลเลยไม่มีมันก็เลยไม่รู้สึกเจ็บมาก มันมีอยู่แต่มันมันไม่ได้ทำให้เรากังวลพอเรามีมีเรื่องให้เราดูแต่พอเรานั่งเฉยๆไม่มีอะไรใหเราดูพอมันเจ็บเราก็อยากจะลุกแล้วยังลุกไม่ได้มันก็ยิ่งเกิดความเครียดขึ้นมาในใจเนี่ยมันความทุกข์ที่เราทนนั่งต่อไปไม่ได้ใช่เพราะไม่ใช่เพราะความเจ็บของร่างกายเพราะความเครียดของใจใจเครียดเกิดความอยาก อยากจะลุกอยากจะให้ความเจ็บหายไปแต่เราบังคับไม่ให้มันลุกนี้มันก็เลยทําให้ใจเราเครียดวิธีที่จะทําให้เราไม่เครียดเราก็ต้องพุทโธพุทโธไปให้มันมีอะไรทำถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธก็เหมือนกับเราดูทีวีพอเราอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปมันก็เลยไม่สนใจกับความเจ็บของร่างกายความเครียดก็หายไปมันก็เลยไม่รู้สึกทรมานมันก็อยู่อยู่กับความเจ็บได้เหมือนกับตอนที่เราดู ดูหนังดูอะไรเลยถึงต้องมีอะไรคอยก ำ, กำกับใจให้ใจมีอะไรทำถ้าใจนั่งเฉยๆแล้วไปดูแต่ความเจ็บมันก็อยากจะให้หายเจ็บอยากจะลุกพอเกิดจะลุกแล้วไม่ได้ลุกมันก็ยิ่งทรมานใหญ่จนในที่สุดมันก็ทนไม่ไหวมันก็ต้องลุกพ่าพอความอยากมาแล้วก็แพ้มันทุกทีใช่มเมอมันอยากได้อะไรก็แพ้มันทุกทีกลุกก็ต้องลุก อยากดื่มกาแฟาก็ต้องดืม่มอยากสูบบุหรี่ก็ต้องสูบเนี่ยแต่ถ้าเราใช้พุทโธพุทโธพุทโธเราก็คิดถึงความอยากไม่ได้พอเราไม่ได้คิดถึงความอยากความเครียดก็หายไปเราก็ทำให้รู้สึกความเจ็บของร่างกายไม่รุนแรงเลยที่มันนุนแรงก็คือใจเราไปขยายมันอย่างนั้น่ะมันมีความเจ็บสองชั้นเจ็บกายกับเจ็บใจเที่มันทรมานก็คือเจ็บใจเจ็บใจนี่เกิดจากความอยาก อยากให้ความเจ็บร่างกายหายไปหรืออยากจะลุกเนี่ยเรเกิดความอยากอันนี้ก็เกิดความเจ็บใจที่แรงกว่าความเจ็บของร่างกายจนทําให้ทนนั่งต่อไปไม่ได้คนที่เขามีสมาธ<ม>ิดีๆมีสติดีดเขาพูดโทรพูดโทพูดโ ท, ด ท, ดทไปเขาก็รู้สึกเฉยๆอย่างเราก็เหมือนกันเวลาเรานั่งเทศช่วโมงนี้รู้ไม่รู้เจ็บเลยแต่เวลาเรานั่งฟังคนอื่นเขาสวดนี่นั่งไปครึ่งชั่วโมงก็เจ็บแล่ะเพราะบางทเนี่ยตอนมัน วันพระทั้งใบฟังปัติโมกเนี่ยผ่านิโ ม, โมก็สิบสองร้อยเจ็ดข้อของพระนั่งฟังไปบางทีสักครึ่งชั่วโมงก็เริ่มเจ็บแหละเพราะเรามันไม่เราไม่ได้ทําจิตเรามันไม่ได้ทํางานจิตไว้เริ่มอฟังแต่มันก็อาจจะไปคิดเรื่องคิดมารับรู้เรื่องของอากายของร่างกายมันก็เลยทําให้เจ็บมากขึ้น <c oughs> แต่เวลาพูดธรรมานี่ชั่วโมงหนึ่งผ่านไปไม่รู้สึกเจ็บเลย ถ้าใจมีอะไรทำแล้วมันจะเพลินแล้วมันจะไม่ค่อยเดือดร้อนกับร่างกายเหมือนคนเล่นไพน่บางทีปวดฉี่บางทียังไม่อยากจะลุกเลย <laughs> มันเพลินมันมั น, มน <laughs> จนทนไม่ไหวจริงๆบางทีเนี่ยลุกไปทนได้คนเราถ้าต้องการจะทนมันอยู่ที่ใจ ใจไม่ยอมทนทุกอย่างก็แพ้มัน <c oughs> นี่เราวิธีทําให้ใจเราทนก็คือเราต้องมีอะไรให้มันทํามีคำบริกรรมหรือสวดมนต์ไปก็ได้สวดถ้าเราบริกรรมแล้วมันมันมันยังทําไม่ได้มันไม่ชอบชอบสวดก็สวดไปสวดเ e อทิปิโสไปเรื่อยๆอย่างเวลาที่เราไปอยู่ที่น่ากลัวก็เหมือนกันเวลาเกิดไปอยู่ที่น่ากลัว เราก็อยากจะหนีถ้าเราไม่อยากจะหนีเราก็ต้องสวดมนต์ไปสวดไปเรื่อยๆพอสวดเราก็ลืมเรื่องเรื่องที่ทำให้เรากลัวพอเราลืมทำเรื่องที่เรากลัวความกลัวก็หายไปเรื่องที่เรากลัวมันยกเกิดจากใจเราไปคิดถึงมันเองพอเราไม่ไปคิดถึงมันมันก็ไม่ทำให้เรากลัวแล้วเน้นใเราต้องมีอะไรให้ใจทำเพื่อให้มันหยุดความอยาก ที่มาสร้างความทุกข์สร้างความทรมานใจให้กับเราถ้าไม่ใช้พุทธะไม่ใช้การสวดเราก็ต้องใช้ปัญญาอใช้ปัญญาเช่นเวทนามันเจ็บการมองให้เห็นว่ามันมันเป็นของเราหรือเปล่าเราสั่งมันได้หรือเปล่าสั่งให้มันหายไปได้รืเปล่ามันมันมันมันเกิดที่ไหนมันเกิดที่ร่างกายไม่ใช่ ถ้าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเราเป็นผู้มาดูมารับรู้เรื่องของร่างกายเราไม่ได้ไปเจ็บกับร่างกายร่างกายมันไม่เห็นเดือดร้อนเนี่ยแล้วเราไปเดือดร้อนแทนร่างกายทำไมแล้วเราอยากให้มันหายมันหายได้หรือเปล่ า, าอยากแล้วก็ทำให้เราเครียดพอหรือเปล่ า, ลาถ้าเราปล่อยมันให้ให้มันเจ็บไปเราอยากไปอยากมันเรามีหน้าที่ดูมันก็ดูไปเลยดูเฉยๆมันดูหนังเนี่ย ถ้าดูหนังดูเฉยๆจะไม่มีอารมณ์อ่ะแต่ถ้าดูแล้วไปหลงไป ต, ติดพันกับหนังคิดว่าตัวเองเป็นตัวแสดงก็จะก็จะหลงขึ้นมาทันทีเวลาพระเอกเป็นอะไรก็โหตืนเต้นเดือดร้อนพราะเราหลงคิดว่าเราเป็นตัวแสดงความจริงเราเป็นตัวดูใจนี่เป็นตัวดูไม่ใช่ตัวแสดงตัวแสดงก็คือร่างกายแต่ใจไปหลงคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายเป็นตัวแสดง ก็เลยเจ็บแทนร่างกายไปทุกแทนร่างกายไปแต่ถ้าเราสามารถแยกใจออกจากร่างกายได้ว่าสอนใจว่าใจเป็นเพียงแต่ตัวดูให้สักแต่ว่ารู้ให้รู้เฉยๆปล่อยให้ร่างกายมันเจ็บไปถ้ามมันไม่ได้เวลามันจะเจ็บมันก็เจ็บเดีย๋ยวเวลามันจะหายมันก็หายเองถ้าใจไปอยากให้มันหายใจก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าสอนใจได้เราใจหยุดความอยากได้ก็จะรู้ ดูเฉยๆได้ดูอย่างไม่หวั่นไหวดูเวลาร่างกายเจ็บดูเวลาร่างกายตายดูได้สบายเพราะรู้ว่าใจเป็นเพียงผู้ดูผู้แสดงคือร่างกายคนละคนกันเหมืนดูหนังถ้าเราดูว่าเป็นหนังพระเอกนางเอกถูกยิงตายแล้วก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าเราเผลอไปคิดว่าเราเป็นพระเอกนางเอกหรือไปเชียร์พระเอกนางเอกเข้าพอพระเอกนางเอกถูกยิงตายแล้วก็เสียใจไปกับเขา ทั้งที่เป็นหนงังทั้งที่เรารู้ว่ามันเป็นหนังแต่เรายังเผลอไปคิดว่าเป็นของจริงไงบที่ก็น้อมห้ายตามหนังเข้าไปเราต้องมาฝึกใจเราให้เป็นผู้รู้ผู้ดูอยา่าไปเป็นผู้แสดงแต่เราชอบแสดงกันล้วก็เลยไม่ดูไม่รู้เฉยๆชอบแสดงแสดงด้วยความอยากพออยากได้อะไรก็สั่งให้ร่างกายทำมันก็เลยกลายเป็นผู้แสดงไป พอแสดงพออยากแล้วไม่ได้มันก็เลยทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราจะไม่ทุกข์ถ้าไม่มีความอยากให้ความเจ็บหายไปเราจะไม่ทุกข์ก็ปล่อยมันเจ็บไปก็ดูมันไปเท่านี้เพราะรู้ว่าเราสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันหายไม่ได้การที่เราขยับร่างกายนี้มันเป็นขยับได้ตอนที่เรานั่งแต่เวลาที่มันไม่สบายจริงๆมันสั่งให้มันหายได้เลยเวลาปลวดท้องขึ้นมาอย่างเ ให้หายมันน่ะขยับท้องแล้วมันหายนะขยับมันก็ไม่หายแต่ถ้าเราทำใจได้เราจะไม่ทุกข์กับมันเราก็ดูมันไปแล้วเดี๋ยวมันก็หายของมันเองถึงเวลามันหมดเล็ิมันก็หมดกำลังมันก็หายไปเองเป็นยังไงมีอะไรมสวัสดีครับผมเป็นบัตรหลวงคาทอลิกนะครับแล้วก็ได้ขอให้อาจารย์อุดมโชคจากโรงเรียนนชีวะได้ประสานมา ทางอาจารย์เพราะว่าผมมีแขกที่เป็นคาทอลิกมาจากหลายๆประเทศอเมริกายุโรปแล้วก็ทางเอเชียเนี่ยนะครับพวกนี้ครึ่งหนึ่งเป็นพระแล้วก็มีแม่ชีด้วยเป็นซิสเตอร์แล้วก็ที่เหลือเป็นคริสเตชนคารวาทธรรมดามนะครับ68ค น, นะครับเขาสนใจ อ, อยากจะมาเยี่ยมดู u d d h สต t m อน aster y นะครับก็เลยแนะนำว่าน่าจะมาที่นี่เพราะว่ามีอาจารย์สุชาติที่สามารถอธิบายคำได้อย่างน่าสนใจแล้วก็พูดภาษาอังกฤษด้วยก็ได้นะครับก็เลยตารางของเขาเนี่ยก็จะเป็นวันพฤหัสที่จะถึงนี้ครับนะครับเขาจะออกจากศูนย์มหาไทยของผมเนี่ยเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับเข้าใจว่าใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงมาถึงที่ดีะนะครับ ถ้าอย่างนั้นก็ประมาณช่วงถ้ามาก่อนก่อนสามโมงก็จะพักแวะข้างหน้าเดินดูวัดยานก่อนก็ได้ขับข<ล><ล>ึ้นมเนาะมาขับขึ้นม า, นมานประมาณสามโมงได้ครับประมาณสามโมงได<ข>้แล้วก็ใช้ห้องน้ําห้องท่าข้างหน้าก่อนก็ได้ที่วัดจะมีห้องน้ําห้องท่าข้างบนนี้มันจะไม่ค่อยสะดวกครัเพราะเราไม่มีน้ําประปาเราต้องขนบรรทุกน้ําขึ้นมาดีเลยครับ ขอแจ้งอาจารย์ไว้ก่อนนอะเป็นพฤติขันะให้เขามีเวลาเดินชมดูวัดก่อนก็ได้ที่วัดเขาจะมีพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งมีพระอริยะสงผู้ที่บรรลุธรรมแล้วเป็นหุ่นขี้พึ่งแถาจัดเป็นนิทรรศการให้เขาได้เดินชมดูก่อนก็ได้ไอ้เขาดูให้เขาได้เห็นรูปวัดสองรูปแบบรูปรูปวัดแบบปัจจุบันกับรูปวัดแบบอดีตเนี่ยบนเขานี้จะเป็นแบบย้อนอดีต ยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นอย่างนี้จะไม่มีก่อสร้างไม่มีสิ่งปลูกสร้างต่างๆส่วนข้างล่างนี้เป็นแบบยุคปัจจุบันไปทางด้านทางก่งอสร้างทถาวรและวัตถุต่างๆดีมากครับแล้วก็เข้ามาใช้ที่ของผมตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็จะอบรมสัมนากันจนถึงวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยนะครับในหัวข้อ Christian Witness in multi religious world นะครับนะอันนี้เป็นเหมือนกับสมาคมที่มีสมาชิกทั่วโลกของเขาว่าเวลาที่เขาไปอยู่ตามที่ต่างๆเขาต้องวางตัวยังไงนะครับทำการศาสนาต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมอบหนังสือนี้ให้อาจารย์เนาะครับขออที่ยากครับทนา แล้วก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตลาไปก่อนแล้วก็วันพระฤหัสเราจะพาพวกเขาขึ้นมาใช่ขอบพคุณอาจารย์มากครับเขาอาจจะมีคําถามหน่อยนะได้ครับก็เชิรับน่าสนใอครับนี่ใครเมื่อกี้ถามคนนี้อยากจะถามใช่ไหมเรื่อตอบไปแล้วอาจลืมไปแล้ว ที่เราเทำบุญเนี่ยค่ะไม่ไม่ไมั้ง่านสินงภามนาเนี่ยแล้วเราตั้งจิตอธิษฐานขอเกิดเป็นชา ย, ยจะมีผลไหมครอ๋อขอไม่ได้หรอกอเราต้องทำเหตุการถ้าอยากจะไปเกิดเป็นชายก็ต้องทำตัวให้เป็นผู้ชายตั้งแต่บัตรนี้ต้องไม่รักสวยไม่รักงามต้องข้าวหารกล้าหาร อดทนเข้มแข็งเนี่ยคนที่เขาทำอย่างนี้ต่อไปเขาก็จะเปลี่ยนนิสัยไงเพราะนิสัยผู้หญิงผู้ผู้หญิงผู้ชายก็อยู่ที่นิสัยนี่เองจิตเหมือนกันแต่จิตไปติดนิสัยผู้หญิงมันก็เลยเป็นผู้หญิงติดนิสัยผู้ชายมันก็เป็นผู้ชายแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายหรอกการปฏิบัติเนี่ยมันผู้หญิงก็ปฏิบัติได้ผู้ชายก็ปฏิบัติได้ พแต่ว่าอาจจะไม่ได้บวชเหมือนผู้ชายนะเอแต่การบวชก็ไม่ได้หมายความว่าจะบรรลุใช่ไหมเนี่ย บ, บ, บวชบวชกันเยอะยากแ ไ, ไม่เห็นบรรลุ ก, กันเลยนีมันอยู่ที่ปฏิบัติมากกว่าที่ที่วัดยานี่มีหนขนที่พึ่งของแม่ชีสองลูกเนี่ยที่เขาเขาลบที่เขาเชื่อว่าได้บรรลุธรรมแล้วแม่ชีแก้วคุณแม่ชีแก้วกับคุณกอเขาสวนหลวงเนี่ย แต่รุ่นที่สายของทั้งสองคนก็รู้สึกค่อนข้างจะห้าวนะค่อนข้างที่จะมีพลังเหมือนผู้ชายยันไม่จําเป็นหรอกไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้ชายหรือเป็นอะไรขอให้มีศีลสมาธิปัญญารักษาศีลให้บ่อยสุดฝึกสติทําใจให้สงบนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้แล้วก็จะมีพลัง ที่จะศึกษามองความจริงของโลกว่าโลกนี้ไม่เที่ยงทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสือ่อมไม่มีอะไรเป็นของเราเราไม่สามารถเก็บกไว้ครอบครองไว้เป็นสมบัติของเราได้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเวลาหมดไปก็เสียใจทุกใจฉนั้นชู้อย่าไปมีอะไรดีกว่าจะได้ไม่ทุกที่เราทุ ก, ก็ทุกเพราะว่าเรามี เพราะเวลามีแล้วมันก็ไม่อยากจะให้จากเราไปไม่อยากให้มันหมดแต่มันก็ต้องหมดจะต้องจากกันแต่ถ้าไม่มีเราก็จะไม่ทุกข์ไม่มีร่างกายเราก็ไม่ต้องทุกข์กับร่างกายมีร่างกายเราก็ต้องทุกข์กับร่างกายการที่ไม่มีร่างกายก็ต้องอย่าไปพึ่งร่างกายอย่าไปใช้ร่างกายเนี่ยมาถือสิบแปดเนี่ยกำลังแสดงว่าเรากำลังเลิกพึ่งร่างกาย ให้แม่แต่งตัวก็แต่งแบบแบบสบายๆง่ายๆไม่ต้องเสริมความงามผมเเผวก็ไม่ต้องหวีให้มันทำให้มันเหนื่อยยากเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับใจเรามาหาความสุขด้วยใช้ธรรมะใช้ศีลสมาธิปัญญาพอเรามีความสุขทางใจเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องพึ่งร่างกายต่อไปเราก็ไม่ต้อง กลับมามีร่างกายแต่ถ้าเรายังต้องพึ่งร่างกายหาความสุขต่างๆอยู่พอร่างกายนี้ตายไปเราก็จะกลับมาหาร่างกายอันใหม่เพราะเรายังอยากจะมีความสุขแบบเดิมอยู่ยงั้นตอนนี้เรามาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันวิธีความสุขที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพอเราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่ต้องมีร่างกายต่อไป อยากให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องสังขารค่ะในปฏิจจ์กับในขันธ์ห้าตัวเดียวกันคนะตัวเดียวกันสังขารคือความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งทําให้เกิดตัณหาขึ้นมาเวลาเราคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเราก็อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสคิดถึงใครเราก็อยากจะไปเจอเขาแล้วพอได้ไปพบเขาแล้วก็เกิดเวทนาขึ้นมาเกิดความสุขเวทนาขึ้นมา เกิดความสุขก็เกิดอุปทานเกิดทันหาขึ้นมาอยากจะได้ความสุขมากขึ้นไปก็จะติดกับรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยแล้วพอร่างกายนี้ตายไปก็ยังมีความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็กลับมาเกิดใหม่เกิดภาวะขึ้นมาใหม่เกิดพบใหม่เกิดแก่เจ็บตายใหม่เนี่ยมืนก็ตัวนี้แหละตัวสังขารนี่แหละที่ถูกเอาวิชาคือความหลงเป็นผู้หลอกให้คิดมาไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันดีกว่า ไปเที่ยวกันไปกินไปดื่มกันไปมีแฟนกันมาอะไรกันเนี่ยเอวิชาหลอกแล้วว่าหลอกว่าเป็นความสุขแต่พระเจ้ามาตัดสัรู้แล้วบอกว่าอันนี้เป็นความทุกข์ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราพอเรารู้ว่ามันทุกข์เราก็หยุดหามันหยุดความคิดปรุงแต่งหยุดสังขารหยุดความคิดที่จะไปหาลูกเสียงกลิ่นรด หรือจะคิดว่ารูปเสียงกลิ่นลดเป็นทุกข์เพราะมันเป็นของชั่วคราวมันไม่เที่ยงตอนเราคิดว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะไม่เกิดตัณหาความอยากพอไม่เกิดความอยากก็ไม่เกิดอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นไม่เกิดภาวะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดตายมาอีกต่อไปตัวเดียวกันสังขารสังขารร่างกายนี้เราเป็นภาษาไทยเรามาแปลงกัน แต่สังขารทางภาษาอังกฤษทางภาษาภานี่เป็นหมายถึงความคิดปรุงแตง <T. S 1> ่งหรือสิ่งที่เกิดจากการปรุงแต่งต่างๆเช่นกุตินี้ก็จะเรียกว่าเป็นสังขารอย่างหนึง่งก็ได้เพราะมันเกิดจากการผสมของสิ่งต่างๆปรุงแต่งของสิ่งต่างๆร่างกายนี่ก็เป็นสังขารอย่างหนึง่งเพราะเป็นการเกิดจากการปรุงแต่งของดินน้ำลมไฟเนีย่ยของอะไรที่ประกอบมีส่วนประกอบขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นสังขารทั้งนั้น สิ่งที่ไม่เป็นสังขารก็มีแค่หกอย่างธาตุดินนี่เป็นเป็นสังขารเพราะมันเป็นดินอย่างเดียวมันไม่มีอะไรเป็นส่วนผสมธาตุน้ำก็เป็นน้ำอย่างเดียวธาตุลมก็เป็นลมอย่างเดียวธาตุไฟก็เป็นไฟอย่างเดียวธาตุรู้ก็เป็นรู้อย่างเดียวอวกาศธาตุก็เป็นอวกาศอย่างเดียวอวกาศก็คือเนี่ยความว่างที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยก็เป็นอวกาศวหกชนิดนี้ เราไม่เรียกว่าสังขารงั JOHN ้นเวลาที่เขาสวดสัพเพสร้างขาราอนิจจาสังขารมันไม่เที่ยงเพราะอะไรมารวมกันมันก็ต้องแยกกันแต่พอมาถึงธรรมะนี่เขาเรียกก็ไม่เรียกสังขารล้วเพราะว่ามันรวมทั้งธรรมะนี้มีทั้งที่เป็นสังขารและไม่เป็นสังขารเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนสัพเพ ธ, ธรรมานัตตากำว่าธรรมะนี้หมายถึงธรรมที่เป็นทั้งเป็นสังขารและธรรมที่ไม่เป็นสังขาร ร่างกายเราเนี่ยชีวิตเราเนี่ยเป็นสังขารเพราะประกอบขึ้นด้วยหกธาตุเลยมีทั้งดินน้ํานมไฟมีทั้งอวกาศสธาตุมีทั้งธาตุรู้อวกาศสธาตุก็ช่องว่างที่อยู่ในท้องะท้องเราอยู่ในร่างกายเราเนี่ก็อยู่ในปากเราเนี่ก็มีอวกาศสธาติอยู่เนไหมมนุษย์ร่างกายของมนุษย์กับร่างกายของสัตว์ในราชาเนี่มีเป็นสังขารที่มีอวกะมีธาตุทั้งหก แต่ถ้าเป็นพวกต้นไม้นี่มักจะมีแค่ห้าไม่มีไม่มีธาตุรู้ต้นไม้ภูเขาอะไรพวกนี้ไม่มีธาตุรู้มีส่วนผสมของดินดน้ำลงไปมากหรือน้อยบางส่วนก็เป็นดินก็เป็นธาตุก็เป็นธาตุาดินอย่างเดียวบางส่วนก็เป็นน้ำก็เป็นธาตุน้ำอย่างเดียว mm hmm. ก็มีแค่นี้นี่เรามาหลงสังขารกันมาหลงว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา แต่ความจริงมันเป็นการรวมตัวของดินน้ำลมไปเดี๋ยวถึงเวลามันก็ต้องแยกกันโดยธรรมชาติธาตุธาตุนี้มันจะแยกมันอยากจะกลับไปสู่ธาตุเดิมแต่ที่มันมารวมกันเพราะมันถูกมีพลังบางอย่างดึงมันมารวมกันเช่นฝนตกลงมาเนีพอลงมาถูกดินเข้ามีพืชมันก็มีเมล็ดพืชมันก็งอกงามขึ้นมามีอากาศมนทาให้มันงอกงามขึ้นมาแต่ พอมันโตแล้วมันก็ถ้ามันก็อยากจะยากกลับเกินสู่ที่เดิมของมันต้นไม้เดี๋ยวมันก็ตายพอตายเดี๋ยวมันก็ผุกลายเป็นดินไป้าตน้าที่อยู่ในต้นไม้ก็ละเหยหายไปมันก็้ามันจะกลับไปมันจึงทาให้ทุกอย่างที่มารวมกันจะต้องแยกออกจากกันมันก็กลับมารวมกันใหม่ตอนที่เราไเกิดใหม่เออมันก็กลับมารวมกันใหม่เออ ถ้าเรายังมีความอยากธารู้มันก็จะวิ่งหาธ า, าตุาตสีใหม่ธาตุห้าใหม่หาร่างกายอันใหม่แล้วก็มาหมดเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อทั้งเวทนาสัญญาสังขารอ๋อเวทนาสัญญาสังขารวิญญานี่มันอยู่มันอยู่กับธาตุรู้มันเป็นคุณสมบัติของธาตุรู้มันเป็นเครื่องมือของธาตุรู้ธาตุรู้ต้องใช้ไอตัวนี้ถึงจะสามารถที่จะทําอะไรต่างๆได้ ต้องอาศัยสังขารต้องอาศัยวิญญาณต้องอาศัยวิญญาณถึงจะรับรูปรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นรูปหยาบหรือรูปทิพย์ก็ต้องมีวิญญาณอาวิชาปัจญาสังขารสังขารละก็สั่งให้เกิดให้วิญญาณไปทำหน้าที่ไปหารูปเสียงกลิ่นรสถ้าไม่มีร่างกายก็หารูปทิพย์ไปเวลานอนหลับนี่ก็อวิชาปัญญาสังขารลาก็สั่งให้ฝัน ให้จิตไปหารูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นพิศไปด้วยการใช้วิญญาณไปปัญญาญเป็นตัวไปราบรูปเสียงกลิ่นรสมาแล้วพอได้สัมผัสก็เกิดเวทนาขึ้นมาแล้วพอสัมผัสอะไรก็จะจําได้เกิดสัญญาขึ้นมาพอเขาหน้าสัมผัสแบบนี้ก็จะเกิดรู้ทันทีว่าดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบอนี่มันทำหน้าที่ให้กับตัวรู้ธาตุรู้ แต่เวลานั่นเรานั่งสมาธิเราหยุดสังขารเราหยุดไอ้สังขารเวทนา ส, ส, ส, สัญญาสังขารวิญญาณได้ก็เหลือแต่ธาตุรู้ไอ้ตัวตัวสังขารขัดสังขารวิญญาณนี่มันมันมันทํางานแล้วก็หยุดได้จิตสามารถหยุดมันได้แต่ต้องใช้สติเช่นเวลาเรามานั่งบริกรรมพุทโธพุทโธนี่เรากําลังสั่งให้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหยุดทํางาน พอมันหยุดทำ ง, งานก็เหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวตดยแต่ธาตรู้ตัวอาการของธาตรู้หยุดทา ง, งานไปแต่ถ้าเราไม่เคยหยุดเนยเราก็จะหลงอยู่กับตัวสังขารเป็นหลักสังขารมันจะปรุงแต่งสมมติต่างๆเห็นร่างกายก็ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเราเป็นเขาแล้าก็อาศัยสัญญาบอกดีไม่ดีชอบไม่ชอบเยแล้วมันก็ไปหลงอยู่กับไอ ของพวกต่างๆที่สังขารมันหลอกให้เราไปหลงกันเนะ่ะถ้าเราไม่ได้มาเจอพระพุทธเจ้าเราก็จะหลงกันนี้ไปเรื่อยๆหลงรูปเสียงกลิ่นลดหลงลาบยศสารเสริญกันแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาสอนว่าของพวกนี้มันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันไม่เป็นของเราอย่าไปมีมันดีกว่าเราก็เลยมากลับเข้ามาหาตัวรู้ดีกว่ามาอยู่กับความสงบดีกว่า เราก็เลยมานั่งภาวนากันเพื่อจะได้มีความสงบจะได้หยุดความอยากกันจะได้ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดกันพอได้มาเท่าไหร่ก็หมดไปเวลาได้มาก็ดีใจเวลาเสียไปก็เสียใจก็มีแค่เนี้ยชีวิตของพู่ที่มาเกิดแก่เจ็บตายกันก็มีแค่นั้นดีใจแล้วก็เสียใจในที่สุดต้องเสียใจกันทุกคนนะตอนจบไม่มีใครดีใจบ้าง มีใครเป่าเค้กกันเมืม่เวลาจะตายเนี่ยใช่ไหมเนี่ยถ้าได้มาก็ต้องมีต้องเสียไปถ้าไม่ได้ก็ไม่เสียงั้นอย่าได้ดีกว่าอย่ามีดีกว่าถ้ามีแล้วก็ต้องเสียถ้าไม่มีก็ไม่เสียจะไม่มีได้ก็ต้องมีความสุขในใจอ่ะต้องดึงใจเข้าข้างในต้องดึงละดึงดึงวิญญาณออกมาจาก รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราให้อยู่กับความสงบความสงบนี้เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสนะครพอเราได้ความสุขกนี้แล้วเราก็ตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสได้เราก็ไม่ต้องกลับมามีตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเมื่อเราไม่ต้องใช้เราไม่ต้องเราไม่ต้องการรูปเสียงกลิ่นรสจะมีตาไว้ดูอะไรใช่ไม ที่เรามีตาเพราะเราอยากจะดูรูปกันแต่ถ้าเราไม่อยากจะดูรูปเราก็ไม่ต้องมีตาก็ไนดนะ้พราที่มาอยู่บนเขาเนี่ยท่นไม่ดูอะไรท่านก็อยู่ในป่าของท่านนะดูแต่รูปต้นไม้ดูแต่ก้อนหิ น, นต่านท่าไม่ได้ดูด้วยความอยากดูเพราะมันมันมีให้ดูเพราะยังมีตาอยู่มันก็เห็นท่านเองนี่คือเรื่องของใจเรา ที่ถูกความหลงหลอกให้เราไปหาความสุขข้างนอกไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงของใจยอยู่ข้างในอยู่ที่ความสงบอยู่ที่การระ ง, งับความอยากต่างๆเนี่ยมีพระพุทธเจ้าที่เป็นคนแรกที่ค้นพบความจริงอันนี้แล้วก็มาสั่งสอนพวกเรา <c oughs> ให้เราหยุดความอยากกันด้วยการสร้างเครื่องมือที่จะหยุดความอยากก็คือศีลสมาธิปัญญา เข้าใจแล้วนะอมีใครอยากจะถามยังไหมั้เข้าใจแลวค่งั้นครั้งแรกสงสัยว่าเอ๊ะท่านนับถึงศาสนาคิดอยู่แล้วทำไมเปลี่นมาศา <c oughs> ส, สนาพุ <c oughs> ทธอ๋ออันนี่เข้าใจแล้วค่ะอ่าคำยิงก็ไม่ได้รับถือเลยแต่เขาส่งไปเรียนโรงเรียนที่เขาสอนก็ต้องเรียนไปก็ถือว่าเป็นวิชาความรู้ไปเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้จิตใจก็ไม่เคยเชื่อเพราะว่าสิ่งที่เ้าสอนให้เชื่อมันมันพิสูจน์ไม่ได้ ไม่รู้จริงหรือไม่จริงต้องเชื่ออย่างเดียวแต่พอมาอ่านของศาสนาพูดเขาว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนนี่พิสูจน์ได้เช่นความทุกข์นี่เกิดจากความอยากของเราเนี่ยพิสูจน์ได้ก็เลยสนใจเพราะเราก็เป็นแบบคิดเหมือนนักวิทยาศาสตร์เราเรียนหนังสือก็เราเราชอบเรียนทางวิทยาศาสตร์เรียนวิศวะเรียนอะไรพวกนี้นเป็นเรื่องของความจริงเรื่องของเหตุของผล มันเปนเรื่องที่พิสูจน์ได้แต่พอต้องมาสอนบอกให้เชื่ออย่างเดียวเนี่ยมันก็แต่เราก็ไม่เราก็ไม่ปฏิเสธนะถ้าเขาอยากจะเชื่อเข้าไปเชื่อเข้าไปแต่เราเป็นคนที่ว่าจะเชื่อก็ต่อเมื่อเราพิสูจน์ได้ก่อนถ้ายัางพิสูจน์ไม่ได้เราก็ไม่เราก็ไม่ว่าเขาเราก็ไม่ไม่น่าเขาอาจจะเป็นของจริงก็ได้แต่ยังไม่มีวิธีที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงหรือไม่จริงเท่าไหร่ พอได้มาอ่านหนังสือทางพุทธศาสนาก็เลยสนใจว่ามีวิธีให้เราได้พิสูจน์สันทิติโกเนี่ของพุทธเจ้าเป็นสันทิติโกผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์ดูได้ด้วยตนเองว่านารกมีจริงหรือเปล่าสวรรค์มีจริงหรือเปล่าบาปมีจริงหรือเปล่าบุญมีจริงหรือเปล่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือเปล่าเนี่ยพิสูจน์ได้นิพพานมีจริงหรือเปล่า พิสูจน์ได้หมดเลย <c oughs> <c oughs> เอาให้ทางบ้านเมื่เดี๋ยวจ ะ, <c oughs> จะหมดเวล า, ามีภาษาต่างประเทศก่อนไหมหรือไม่มีวันนี้คุณลานไม่มีคำถามค่ะแต่เซสาธุแห็นซีมสอาจารย์อีส์น็อตวันนี้วิชวิชอัสปีดีรีคเวรี Thank you เชลานหวั e ที่จะเห็นคุณในเดือนกกฎามเนนะฮะ มาจากสีร่างกายเขาจะมาพักปฏิบัติบนเขานี่าะบินข้ามข้ามทะเลมาเพื่อ ม, มาอยู่บนเขานี่ยคําำถามาถจากคุณโตมอนค่ะผมนั่งสมาธิภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆจนพุทโธหายเหลือแต่ลมหายใจเบาๆพยายามภาวนาพุทโธแต่พุทโธไม่มีมีแต่ลมหายใจเบาๆบางๆเย็นๆเป็นอาการของอะไรครับ ก็ต้องดูต่อไปถ้ายังมีลมอยู่ก็ต้องดูไปจิตยังไม่รวมจิตยังไม่สงบถ้าพุโทโธหายไปเพราะว่าเราขี้เกียจพุโทโธเราก็ต้องพุโทโธต่อไปถ้าเราไม่จะพุโทโธก็แล้วดูลมแทนก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่ต้องทั้งสองอย่างต้องทําต่อไปจนกว่าจิตมันจะวูบลงไปแล้วก็นิ่งสงบแล้วก็เบาสบายมีความสุข จะยังไม่มีความยังไม่สุขแะสะแดงว่ายังไม่สงบคําถามจากคุณเกวารีค่ะดิฉันได้อ่านธรรมที่เกี่ยวกับคนหลงดีค่ะดิฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีคนเกลียดเยอะซึ่งดิฉันก็ถามเพื่อนถึงข้อเสียของตัวเองแต่เพื่อนก็บอกมาแล้วดิฉันก็พยายามปรับปรุงแต่ที่แต่ที่ยังมีคนเกลียดอยู่เพราะมีคนใส่ร้ายอยู่ค่ะแล้วดิฉันก็วางเฉย เพราะบางเรื่องที่เขาเอาไปพูดไม่เป็นความจริงเลยทำให้มีคนเสียดเยอะมากขึ้นดิฉันวางเฉยในเรื่องนี้ดิฉันทำถูกไหมคะถูกแล้วแหละเพราะว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะพูดดีพูดร้ายเกี่ยวกับเรานี่เราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ขอให้เราดูความจริงของเราก็แล้วกันเขาว่าเราเป็นควายเราดูว่าเรามีเขาหรือเปล่า <laughs> ดูที่กระจกดู ถ้าเราไม่มีเขาไม่มีอะไรแล้วก็อย่าไปสนใจแต่เราไปห้ามเขาไม่ได้ห้ามเขาไปพูดก็เราเป็นควายไม่ได้ก็ป่วยก็พูดไปไม่อย่าไปสนใจวางเฉยได้อนะดีที่สุดต่อไปคําถามจากคุณคณิสอนผมเคยปฏิบัติภาวนาจนร่างกายหายลมหายใจหายคิดปรุงไม่ได้เลยและออกจากช้นก็พิจารณาสิ่งที่เข้ามากระทบ แต่ปัจจุบันไม่เข้าฌานว่างอยู่ก็จริงแต่ไม่ว่างเสียทีเดียวมีความคิดผ่านเข้ามาพิจนารณาแล้ววางทิ้งไปอย่างนี้ถูกไหมครับมันก็ควรจะเข้าฌานถ้าเคยเข้าฌานได้ก็ควรจะเข้าฌานสลับกับการออกมาเวลาออกมาก็ใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีเกิดมีดับอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากแล้วก็จะไม่ทุกข์ แต่ต้องเข้าฌานบ่อยๆเพราะจะได้มีกําลังปล่อยวางถ้าไม่มีกาลังไม่เข้าฌานมันถึงแม้จะรู้ว่าเป็นทุกข์มันก็ปล่อยไม่ได้คําถามจากคุณสิริหากว่าตั้งเป้าหมายการปฏิบัติธรรมไว้ที่ตัดราคะเป็นทางเดินได้ไหมคะเพราะเห็นว่ามีความชัดเจนของเป้าหมายมากคะ่ะได้เป้าหมายที่แ ท, ท, ท้จริงก็ตัดความอยากต่างๆราคะก็ เ, เป็นความอยากอย่างหนึ่ง แต่มันต้องตัดทุกชนิดไม่ใช่ตัดแต่ตเฉพาะราคะอย่างเดียวมันต้องตัดราบยศสรรเสริญตัดรูปเสียงกลิ่นรสตัดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลาผมหงอกก็อย่าไปย้อมมันเวลานังเหี่ยวก็อย่าไปตึงอย่าไปดึงมันอย่าไปทำสัญญกรรมสัญญกรรมอะไรต่างๆปล่อยมันไปเป็นตามธรรมชาติของมันอย่าไปมีความอยากสวยอยากงาม ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติมันจะสวยก็มันสวยแบบธรรมชาติเนี่ยไม่ต้องไปทำผมไม่ต้องไปทำคิ้วไม่ต้องไปทำตาเดี๋ยวนี้โอเห็นขนตานี่หนาปึกเลยคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะถ้าไปนั่งสมาธิในป่าชา้าเราจะเจอผีไหมครับ ถ้าเจอผีเขาจะทํายังไงกับเราครับแล้วพระอาจารย์เคยเจอผีไหมครับไม่มีหรอกถ้ามีทำไมผีทำไมอยู่แต่ปา่าช้ามันไปอยู่ที่อื่นไม่ได้เหรอนี่มั้ยผีมันจะอยู่ปา่าช้าทําไมมันไม่มีมันมีแต่ผีด้วยกันใช่ไหมถ้ามีผีจริงมันก็ต้องมามาเยี่ยมเราได้เนี่ยมาหาเราได้เเพราะเขาก็ขอขอเป็นญาติพี่น้องเราไม่ใช่ที่ไปอยู่อยู่ป่าช้าันเนี้ยเขาว่าต้องคิดถึงเราบ้างเนี่ยไม่มีหรอก ผีคือวิญญาณเนี่ยมีหมายถึงว่าเวลาร่างกายตายไปจิตออกจากร่างแล้วก็เรียกจิตนี้ว่าเป็นวิญญาณแต่จิตนี้มันก็จะไปเป็นอะไรตามบุญตามบาปของมันไปเป็นเทวดาไปเป็นเปรตไปเป็นอะไรไปเท่านั้นเองเขาจะไม่มายุ่งกับเราเหรอกแต่พวกที่นั่งสมาธิได้เนี่ยบางคนติดต่อกับพวกผีได้พวกที่ดวงวิญญาณนี้ตายไปแล้วเนี่ยเขาสามารถติดต่อกันได้ มีแม่ชีรูปหนึ่งเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านเวลานั่งสมาธิท่านมักจะมีดวงวิญญาณของของสัตว์ที่ตายแล้วควายบ้างหมูป่าบ้างมามามามาพบแล้วก็มาปรับทุกข์ว่าเขาเพิ่งถูกนายพรานยิงตายไปแล้วนายพรานนี้เป็นคนอยู่ในหมู่บ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเอาเนื้อนี่มามาทําบุญกับแม่ชีขอให้แม่ชีรับ เขาขอถวายเป็นทานเนีแม่ชีเขาก็รับไว้แล้วตอนเช้าก็มีคนเอาเนื้อหมูป่ามาถวายให้แม่ชีแม่ชีสามารถติดต่อกับดวงวิ ญ, ญญาณได้ดวงวิญญาณมันไม่มีอะไรน่ากลัวมันก็มันก็เหมือนพวกเราตอนนี้เราก็มีดวงวิญญาณความคิดของเรานี่ก็เป็นเป็นดวงวิญญาณเท่านั้นเองแต่พอเราไม่มีรูปร่างเราก็เลยไ อ, ไอสิ่งที่เราเห็นคิดว่าเป็นผีเป็นดวงวิญญาณไม่ใช่หรอก มันจะเป็นดวงวิญญาณมันจะต้องอยู่ในระดับจิตของเราต้องอยู่ในระดับสมาธิอุปจาระสมาธิมันถึงจะสามารถรับดู้พวกกายทิพย์ได้แต่ที่เราตาตาหลอนตาหลอกเราเห็นอะไรแวบๆบว่องแหบวบมแลบบ้ก็ผีนี่มันไม่ใช่หรอกอาจารย์นะพออยู่ในที่ไหนที่มันเปรียวๆหน่อยเนี่ยเห็นผีเต็มไปหมดเลยเห็นต้งวนต้นไม้ในกายเป็นผีหมดเลย ท่านึงสอนว่าถ้าใครอยากจะไปไปปฏิบัติใน้ปา่าช้าท่านบอกให้ไปตอนกลางวันก่อนไปตรวจ ด, ดูบริเวณก่อนเช็คดูก่อนว่ามีอะไรมัง่งเดี๋ยวพอตอนมืดมันจะกลายเป็นผีขึ้นมาหมดคำถามจากคุณหมูค่ะต้องได้อัปปนาจนชำนาหรือไม่ถึงจะพิจารณาปัญญาเป็นภาวนามายปัญญาครับหากไม่อัปปนาจะเป็นแค่จินตะ จินตามายะปัญญาใช่หรือไม่ครับ อ, อใช่มันก็ต้องมีอัปปนาแล้วถ้าได้อัปปนาอย่างชํานาญก็ดีเพราะมันจะได้ใช้ตัดกิเลสได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วถ้า ป, ปันายัางแบบน้่มลุกคุก ค, คานอยู่บางทีก็ตัดได้บางทีก็ตัดไม่ได้คำ <c oughs> ถามจากคุณนัฐพลผมภาวนาพุทโธสลับกับตายแน่ตายแน่แล้วจิตไปจับอยู่ที่พุทโธสักพักเกิดรู้สึกว่าลมหายใจหายไป แล้วก็จุกที่ลิ้นปี๋เหมือนหายใจไม่ออกใจเลยบอกตัวเองว่าหากมันจะตายก็ให้มันตายเลยแล้วอาการนั้นก็หายไปเหลือแค่พุโทโธกับความว่างแบบนี้เรียกว่าจิตรวมหรือเปล่าครับผมควรปฏิบัติอย่างไรต่อดีครับก็ว่างในระดับหนึ่งแตยังไม่ว่างหมดถ้าว่างหมดนี่พุโทโธก็ต้องหยุดแต่ไม่ได้หยุดเพราะเราหยุดนะหยุดเพราะว่าจิตมันหยุดปรุงแต่งจิตมันสงบจิตมันเบาจิตมันสบายจิตมันรวมลงเป็นหนึ่ง อาจจะต้องตกหลุมตกบ่อนหน่อยถึงจะเรียกว่ารวมจริงต้องวุบลงไปมันต้องมีความรู้สึกว่ามันมันตกับตกจากที่สูงลงมาแล้วก็เนิง่งสงบสบายจากแต่ว่ารู้คำถามจากคุณแจมเวลานั่งสมาธิพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธหายไปแล้วมีความรู้สึกเหมือนจะหายหลังวืดทั้งที่รู้สึกตัวคะ่ะแกยังไงคะก็ดึงพุทโธกลับมาใหม่ทาพุทโธต่อไป ความรู้สึกก็ไม่ต้องไปสนใจให้สนใจอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวคุณเชลานตอบมาว่า yes August โอเค next month คำถามจากคุณลาวันค่ะการมีส ต, ติที่ถาวรและความสงบที่ถาวรได้จะต้องทำอะไรบ้างคะก็ต้องฝึกสติไปเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็ต้องมีพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆ ถ้าไม่พุทโธก็ต้องคอยเฝ้าดูร่างกายว่ากําลังทําอะไรอยู่อย่าให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไปคิดก็แสดงว่าเผลอ <POW. S 1> ละเผลอสติละสติหายละถ้ามีสติก็ต้องอยู่กับพุทโธต้องอยู่กับร่างกาย<ม>อยู่กับการเคลื่อนไหวาการกระทําต่างๆของร่างกายจึงกําลังแปลงความนี้ต้องแปลงความอย่างเดียวไม่ใช่แปลงความไปแล้วก็คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ถ้าอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติเผลอสติ่ะ ถามจากคุณคนพลค่ะเมื่อวานพระอาจารย์เทศเรื่องติดดีกับหลงดีขอพระอาจารย์แนะวิธีพิจารณาแล้วหวางความติดและความหลงด้วยครับหลงดีก็คิดว่าตัวเองดีไงแต่ความจริงไม่ดีตัวเองยังไม่ดีแต่ชอบคิดว่าตัวเองดีติดดีก็คือติดการทำความดีถ้าติดดีนี่ไม่ไม่เสียหายทาความดีไปเรื่อย ทำบุญทำอะไรไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเนี่ยมันไม่เสียหายอะไรไมันเป็นประโยชน์กับเรามันเป็นบุญแต่หลงดีนี่เป็นหลงคิดว่าเราดีถ้าเราคิดว่าเราดีแล้วเราก็จะไม่สนใจที่จะทำความดีต่อไปเราก็จะไม่ได้ดีเราจะไม่ทำความดีเราคิดว่าเราดีแล้วบางคนก็บอกว่าเราไม่ได้ทำบาปเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราไม่ต้องทาบุญก็ได้ใช่ไหม เขาก็คิดอย่างไง้นเขาคิดว่าเขาดีาดีพแต่ก็ไม่รู้ว่ายังมีที่ดีกว่านี้การรักษาศีลอย่างเดียวมันก็ยังดีไม่เต็มที่แต่อยากจะดีเต็มที่ก็ต้องทําบุญแล้วก็ต้องรักต้องนั่งสมาธิต้องทําใจให้สงบต้องศึกษาธรรมะให้เกิดปัญญาขึ้นมาถึงจะดีได้เต็มที่เต็มร้อยคุณหนึ่งค่ะค่ะคำถามจากคุณนาวี อยากทราบว่าเวลาถ่ายทอดสดตอนจบท่านให้สินให้พรอยากทราบว่าคนที่ฟังผ่านการถ่ายทอดสดฟังไปด้วยพนมมือไปด้วยจะได้รับสิน ร, รับพรด้วยไหมครับก็ได้ฟังเนี่สนอยู่ที่ตัวเราพรอยู่ที่ตัวเราแม้แต่คนที่อยู่ที่นี่ก็ไม่ได้สินได้พรไ ด, ได้ได้เพียงแต่คาอนุมโมทนาคือความให้กำลังใจเท่า น, นั้นเอง ทีพาให้ศีลให้พรนี้หมายความว่าให้กำลังใจว่ากำลังทำมาถูกทางแล้วขอให้ทําไปเรื่อยๆแต่ผลนี้เกิดจากการกระทําของผู้ฟังกันถ้านั่งฟังเฉยๆแล้วไม่ทําก็ไม่ได้ผลที่บอกขอให้เจริญก้าวหน้าในทำยี่ยี่ขึ้นไปนี่เป็นความปรารถนาดีของผู้พูดแต่ถ้าผู้ฟังไม่ไปปฏิบัติมันก็ไม่มีความเจริญก้าวหน้าแต่อย่างใดไม่ว่าจะฟังที่นี่หรือฟังที่บ้านก็ไม่ได้ผล ถ้าอยากจะได้ผลก็ต้องเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษฐ์พิจารณาไปปฏิบัติเนี่ยพอปฏิบัติแล้วมันก็จะได้ความเจริญก้าวหน้าในธรรมขึ้นไปตามลำดับนั่นเองก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลามีใครอยากจะถามอะไรไหมอ่ะสุดท้ายตอนที่ท่านั่งบางครั้งจะเกิดได้ยินเสียงลมในใจตัวเองดังมากไม่เวลาก็ช่างมันไม่้ก็จงสนใจ่อไปเรื่อยๆอ มันจะดังจะค่อยไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้เราอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนั่นเองให้มีสติอยู่กับลมก็ได้อยู่กับพุโทโธก็ได้บางครั้งก็นิ่งไปเฉยๆเยเออนิ่งก็ให้มั น, นให้รู้เฉยๆเราก็มีหน้าที่รู้เฉยๆไปให้มีสติรู้เฉยๆรู้ว่ามีนิ่งไม่นิ่งรู้ว่าเกิดรู้ว่าดับเลยไปไม่ต้องไปสนใจขอให้ใจเรานิ่งอย่างเดียวขอให้ใจเราอย่าคิดอะไรกันนะ